ต่อจากนี้ไปเป็นการอบรมธวรชาเรื่องธรรมะทั้งกว้างทั้งลึกโดยพ่อท่านโพธิรักเมื่อวันที่29สิงหาคม2538นพุทธสถานปฐมอโศกขอเชิญท่านจิตตารับฟังได้นะบัดนี้ และพวกเรามาปฏิบัติธรรมกันนี่ก็ผู้ที่ได้มาปฏิบัติแล้วอย่างน้อยที่สุดเนี่ยก็คงจะรู้ว่าเรามาทำอะไรเพราะว่าที่นี่อธิบายหรือว่ายืนยันชัดเจนว่าเราจะมีชีวิต เป็นอย่างไรก็เริ่มรู้ถ้าใครมาแล้วก็จะเริ่มรู้แม้แต่คนที่เ ข, เข้ามาในหมู่บ้านหรือว่ามาในชุมชนเราเนี่ยมาสัมผัสเขาก็จะเห็นเลยว่าเออคนหมู่นี้นี่มีความแตกต่างนะทุกวันนี้ยิ่งชัดทุกวันนี้เนี่ยถ้าเผื่อว่าข้างนอกคนข้างนอกเขาเข้ามาสัมผัสกับเราเนี่ย เขาจะเห็นความแตกต่างนอกจากคนที่โง่จริงๆเลยนะไม่มีปฏิพานไว้พริบอะไรเข้ามาก็เห็นได้ว่ามันก็คนเหมือนกันกับเราแล้วเขาก็ไม่มไว้พริบแยกแยะความแตกต่างจากสภาพความเป็นอยู่หรือแม้แต่ สถานที่อยู่อะไรต่ออรตางๆนานาสิ่งแวดล้อมต่างๆนะมันจะบอกไปทั้งหมดถ้ายิ่งเขาเอามาได้อยู่หลับนอนมีกิจวัตรตั้งแต่เช้าจดเย็นวันหนึ่งวัน3วันอะไรผ่านไปแล้วเขายิ่งจะรู้จะเห็นว่ามันมีอะไรที่ไม่เหมือนกัน ไม่เหมือนกับชาวโลกส่วนใหญ่ที่เขาเป็นอยู่แล้วทุกวันนี้แล้วพวกเราก็มีหมู่มวลมีวัฒนธรรมมีหมู่มวลแล้วก็มีมีวัฒนธรรมน่ะวัฒนธรรมคือสิ่งที่เราสร้างขึ้นมาของมนุษย์ที่มนุษยพ์พึงเป็นพึงมีกันไ่ไบแต่วัฒนธรรมในการไปการมาการยืนการเดินกัน พูดการจาการกินการอยู่การทำอะไรก็แล้วแต่การเป็นของมนุษย์ที่พึงมีพฤติกรรมมีพฤติกรรมแล้วก็มีกิจกรรมมีพิธีกรรมต่างๆมันจะต่างกันต่างกันจากที่ส่วนใหญ่เขาเป็น และเมื่อเป็นแล้วผู้ที่เป็นอย่างนั้นอย่างนั้นก็จะต้องมีความสุขพอใจเห็นดีเห็นชอบไม่ใช่ปิดหูปิดตา เห็นดีเห็นชอบที่เราเห็นดีเห็นชอบที่เราพอใจนี้เราจะเห็นดีเห็นชอบหรือพอใจเพราะใจเราชอบจริงๆจะมีข้อเปรียบเทียบมีวัฒนธรรมอื่นมีความเป็นอย่างอื่นเราก็รู้เขาเป็นอย่างอื่นนั่นเป็นอย่างไรแม้ที่สุดที่เขาเป็นอย่างอื่นนั่นน่ะเรารู้จริงๆเลยนะเราไม่สงสัย ไม่มีวิจิกิจฉาไม่มีความลังเลไม่มีความข้่องใจไม่มีความสงสัยไม่มีความาติดใจว่าจะอยากไปพิสูจน์ไม่มีความติดใจที่จะเอ๊มันจะสุขหรือมันจะดีกว่าหรือเปล่านะมันจะต้องไปลองดูบ้างมั้งอะไรนี่จะไม่มีเลยพ้นวิจิกิฉาตัวนี้เนี่ย ตัวพ้นวิจิิจฉาพ้นสงสัยนี่เป็นตัวสาคัญอย่างยิ่งที่จะเป็นตัวยืนยันตั้งแต่แรกเริ่มที่เข้าใจซึ่งเป็นเหตุผลเป็นแค่ตรร ก, กะเป็นแค่ความหมายความเข้าใจเท่านั้นเราก็จะเข้าใจว่าเออมีความหมายมีรายละเอียดในความหมายว่าดีกว่าเหนือชั้นกว่า อย่างไม่สงสัยนั่นก็เป็นความรู้ความเข้าใจเท่านั้นจนกระทั่งเมื่อบรปฏิบัติแล้วปฏิบัติจริ ง, รงๆเข้าไปก็จนกระทั่งเกิดผลเกิดผลก็จะเป็นพ้นวิกฤติฉาอีกเพราะฉะนั้นวิกฤจฉาในระดับแรกนี่คือพ้นวิกฤติฉาในความเข้าใจ พ้นวิจิกิจฉาพ้นสมาธิพ้นมิจฉาทิฏฐิเป็นสัมมาทิฏฐิเข้าใจตัวพ้นวิจิกิจฉาที่พ้นมิจฉาทิฏฐิเป็นสัมมาทิฏฐินี้เป็นการพ้นวิจิกิจฉาสังโยชน์ตัวแรกซึ่งเป็นสังโยชน์สพ้นวิจิกิจฉาตัวแรกที่เขามักจะอธิบายกันว่า พนวิจิกิจฉานี่คือพ้นสงสัยลังเลในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เข้าใจความหมายว่าอย่างนั้นอธิบายกันนะอธิบายกันมาแต่ไหนแต่ไหนแล้วบอกว่าโอ้จะพ้นพ้วิจิกิจฉาสังโยชนี่คือพ้นพ้นความสงสัยลังเลในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์มันเป็นภาษาอุเทนเนี่ยเป็นภาษาหัวข้อหลักๆพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์พ้นสงสัยในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ ก็คือพ้นสงสัยในทั้งตัวบุคคลและนามธรรมตัวบุคคลก็คือเข้าใจง่ายๆก็คือพระสงฆ์ตัวบุคคลผลสงสัยว่าเออความเป็นพระสงฆ์ความเป็นผู้ที่ได้บรรลุหรือเป็นผู้ที่ได้รูปได้นามได้ตัวสภาพมาเป็นพระสงฆ์เนี่ยถ้าเข้าใจว่าพระสงฆ์นั้นคือผู้ที่มีคุณธรรม ในระดับหนึ่งที่เราจะต้องยกย่องกราบไหว้นับถือบูชาแม้แต่รูปเราก็ยกให้แล้วถ้ายิ่งเป็นพระสงฆ์จริงก็คือพระอริยสงฆ์อริยสงฆ์อย่างต่ำที่สุดก็โสดาบันขึ้นไปเราจะไม่สงสัยในพระโสดาบันขึ้นไปเคารพนับถือได้ไม่สงสัยว่าเป็นคนต่างจากเราไม่สงสัยว่าผู้นี้มีภูมิต่างจากเราจริงๆนะมีภูมิต่างจากเรา ที่มีภูมิต่างจากเราเพราะได้ประพฤติปฏิบัติตามคําสอนคือพระธรรมพระธรรมคําสอนเดรัเจา้าท่านได้ตรัสรู้แล้วก็มาสอนไว้แนะนําไว้บอกไว้เมื่อบอกไว้แล้วคนก็ไปปฏิบัติตามจนเกิดธรรมะจริงก็คือเกิดภาวธรรมเกิดธรรมะปากปรากฏขึ้นที่ตัวเองนะเกิดการ เข้าใจแทนที่จะเห็นแค่ความเห็นคือแค่ทิฏฐิมัไม่ใช่แค่ทิฏฐิปฏิบัติแล้วก็เกิดสภาวะมีฌานมีวิมุตติฌานก็คือการเพ่งเผาเพ่งรูนะ้เพ่งคือหมายความว่ามีญาณตัวหนึ่งญาณที่เพ่งเข้าไปฌานต้องมีญาณฌานต้องมีปัญญามีญาณมีปัญญ า, าเราอ่านรู้รูปนาม รู้สภาวะอาการในจิตโดยเฉพาะรู้จากอารมณ์ชั่วอารมณ์ต่ําอารมณ์ที่มันเป็นกิเลสเป็นอกุศลอกุศลาธรรมมาน่ะอกุศลเป็นสภาพที่เราจะต้องรู้ว่าอาการอย่างนี้ในจิตของเราเนี่ยเรเรียกว่ากิเลสตัณหาอุปาทานอะไรก็อธิบายกันไปอีกเป็นความหมายหลายๆความหมายก็ตามแต่มีลักษณะอย่างนั้นเรารู้ละอาการอย่างนี้ในจิต แม้ว่าเราจะไม่รู้ละเอียดนะเราไม่รู้อย่างชัดเจนโสดาบันจะมียานไม่คมปิญญาณไม่เคยชัดเท่าไรหรอกแต่ก็รู้รู้ว่าอารมณ์อย่างนี้อารมณ์อย่างนี้นี่มันอยู่ในจิตมันทำให้เกิดทุกข์ทุกข์ก็คืออริยสัจนะแล้วก็ไอเจ้าตัวนี้แหละคือตัวเหตุทุกขสมุทยัยแล้วเราก็ได้ปฏิบัติตอนแรกอาตจะจับ จับสภาพไม่ถูกว่าเราปฏิบัติอย่างไรปฏิบัติไปแล้วแต่มันเป็นผลน่ะเราอาจจะเรียบเรียงไม่ถูกแต่มันก็มีสภาพจริงจิตใจมันละลดได้จริงมีนิโรธมีความดับนะดับประมาณหนึ่งอาจจะไม่ละเอียดละ อ, อเราอาจจะรู้กิเลสในระดับกิเลสหยาบกลางละเอียด วิติกรรมกิเลสปริยัติานกิเลสอนุสัยกิเลสเราอาจจะไม่รู้จักอนุสัยกิเลสมันเป็นอย่างไรหรืออาสวะอนุสัยเนี่ยเรามันเป็นอย่างไรเราโสดาบันอาจจะยังไม่มียานละเอียดไปจนกระทั่งรู้แต่ในภาวะรู้แล้วลีลาอย่างนี้อาการอย่างนี้มันกิเลสมันเบาแล้วมันหยุดมันไม่เป็นเหมือนก่อนไม่ว่าจะมันเป็นตัวบทบาทที่ทําให้เรารู้สึกทุกข์รู้สึกว่ามีภาระรู้สึกว่ามีความเดือดร้อนจะต้องจัดการกับมัน แต่ก่อนนี้ไม่จัดการกับมันไปกับมันเลยมันพาไปยังไงมันพาเป็นยังไงเป็นกับมันไปอย่างมันมีสุขมีทุกข์ทํามันมาแล้วก็พาทุกทุกสมุทัยเนี่ยมันมาแล้วพาทุกจะไม่รู้ตัวหรอกคือไม่เข้าใจอริยสัจนึกว่าเฮ้ยเพื่อนมาชวนแล้วไปกับมันอย่างยินดีเลยนะแล้วก็พาไปดินนด้นรนดิ้นรนถ้าไปเจออุปสรรคไม่ได้เสพสมสุขสมก็ทุกข์กลับมาหม่นมองไม่คราวนี้กูไม่สาเร็จเว้ยแม่ไม่ได้ดังใจอยาก อยาในแหละคือสมุทรไทยมันไม่ได้ดังที่ต้องการกลับมาก็มุนมนมองไม่ไม่เบยไม่สบายไม่คลายไม่อะไรแล้วก็แต่ก็ต้องยอมจำนวนว่ามันไม่ได้ฝากไว้ก่อนเถิงเอองฝากไว้ก่อนถ้าคราวนี้ขาต้องยอมระงับไปก่อนหยุดหยุดรบชั่วคราวแต่ไม่เก็บอาวุธหรอกรับอาวุธใหม่ไม่ได้ปล่อยได้คลายเราไม่รู้เรื่องคือไม่รู้เลยว่ามันเป็นอะไรแต่เมื่อเรามาศึกษาแล้วเราจะรู้ว่า ไม่ได้เราคืนเก็บไว้คืนเจอจะต้องไปผูกไปพันไม่ได้ปฏิภาณเราจะรู้แล้วเราก็จะอย่างน้อยที่สุดเราก็จะนี่มันหยุดได้ก็ดีแล้วนี่แต่มันหยุดโดยสมรถะหยุดโดยเองหยุดโดยไม่ได้รบเพราะว่ามันเขาหยุดเขาหยุดในสงครามเขาหยุดมันก็ต้องหยุดสงครามทหารก็ต้องกลับทับท่านั้นเองมันไม่ได้หยุดชนะสงครามนะแต่มันหยุดรบมันไม่ได้สมใจแล้วมันไม่ได้อะไรก็แล้วแต่มันก็หยุดมาสงครามเดียวว่าสมรถะ a ชัวคราว แต่ก็ยังดีที่เรามีปฏิพานรู้ว่าเอ้ยหยุดนี่ถ้ามีญาณปัญญารู้ว่าหุดที่มันสบายนะมันเบานะมันไม่ต้องไปรบอีกเนี่ยมันไม่ต้องไปมีงานนั้นนะ่ะมัต้องไปมีงานรบนั่นเองก็คืองานไปหามาเสพนั่นแหละงานไปเอาชนะชะคารมาเสพ น, นะไปแย่งไปชิงมาเสพนั่นแหละมันไม่เคยมีปฏิพานเข้าใจอย่างนั้นหรอกแต่มันจะมีความรู้อีกอันนึงว่า เอ้ก็เมื่อเราไม่ต้องไปแย่งมาเสพไม่เสพเนี่ยมันก็เบาก็ว่างดีนี่ไอ้รถอันนั้นมันจะเหนือชั้นแม่เ่าถ้าเราเสพถ้าพอรถติดรถเอ้ทาไมติดเสพรถนั้นเราทนไม่ได้เราต้องไปเอามาเสพอยู่เนี่ยนั่นคือยังยังมีวิสังยังมีสังโยกยังมีความผูกมัดรัดรึงยังมีความหึงหวงยังมีความต้องการยังมีความไม่ปล่อยสังโยกหรือสังโยดนี่แหละผูกผูกอยู่ยังไม่คอยยังไม่ปละวงยังไม่ปล่อยยังผูกยัง ยังติดยังยึดอยู่นั่นแหละยังจะอยู่จะเป็นเมื่อเรามาเรียนรู้แล้วบอกอสังโยชนี่จะผูกจะยึดอยู่ไม่ได้ต้องวิสังโยคต้องปล่อยต้องคลายต้องเลิกกันเรามาเรียนรู้แล้วเราบอกเราก็แม้จะเราจะทําในภาวะปัจจุบันนั้นยังไม่ได้แต่เราก็จะมีความเข้าใจแล้วรู้แล้วแล้วมันก็จะอ่านรถรถวิมุตหรือรถว่างรถที่ไม่ได้เสบนี่ มันก็เบาดีมันก็มีภาระไม่มีความลําบากไม่ต้องไปทำไอน้นนท์อีกก็ได้เนี่ยสมถะมันก็จะช่วยให้เรามีปฏิภาณเหมือนกันว่าเออถ้าเผือว่าไม่ไปต้องไปเกิดกิเลสอันนั้นมันจะช่วยนะมันจะอุปการะช่วยให้เราเข้าใจช่วยให้เราเกิดยานเกิดความเฉลียวฉลาดเห็นความจริงขึ้นไปซ่อนซ่อนซ่ เพราะฉะนั้นเมื่อทีหน้าที่หลังไอ้ตัวนี้มันแม้มันยังไม่ดับมันอาสวะยังไม่สิน้นมันยังหรือปริยุทธานกิเลสกิเลสในระดับกลางก็ยังมันยังไม่ยอมแพ้ไอ้ความเบาวิติกมักกิเลสกิเลสที่หยาบหก้นกลา้าเนะ่ยมันจะค่อยๆ อ, อ, อ่อนตัวลงมาตามสัจจะความฉลาดหรื่นยานญานปัญญาที่เข้าใจนี่จะมีแนวโน้มเห็นอารมณ์วิมุตติเหนือชั้นกว่าผู้ใดชอบวิมุตติผู้ใดเห็นความทุกข์ที่ชัด โอ้ยตัวเหตุตัวนี้คือเหตุทุกข์คือกิเลสตัวนี้แหละก็จะยิ่งชัดก็ยิ่งบอกเออถ้าไม่มีได้มันดีกว่าถ้ามีจิตโน้มนอ ม, มาท่านี้แล้วก็ดีขึ้นทีนี้แม้กิเลสมันเกิดมาอีกไปเจอกิเลสเจอกับเหตุการณ์อีกเราก็จะได้ทําสงครามกิเลสมันยังไม่ไม่ไมดับนะมันยังเกิดอยู่ เกศกิเลศนี่เราสงครามก็คือว่าเราต้องจัดการเกศกิเลศเมื่อมันจะไปสแสวงหามันจะไปต้องการมันจะไปเอาเออเองอย่อออออาอย่เอ า, าเพย์เฉลีชีวิตเองอย่ามาเทเด็ดมีบทบ ท, บ, ทบาทขึ้นมานะเราจะจัดการกับตัวนี้แหละเป็นปัจจุบันธรรมวิปัสสนาญาณจะเห็นญาณจะมาช่วยแล้วเราก็จะใช้ยาณใ น, นว่าเอองไม่ได้ดีไปกว่าความสงบเองไม่ได้ดีกว่าความลดละเองไม่ได้ดีกว่ามันจะค่อยๆปราบ นี่ก็คือรายละเอียดของยานหรือปฏิพานปัญญาเพราะฉะนั้นผู้ได้มีกําลังของยานกําลังของปฏิพานเข้าใจได้ดีเข้าใจที่ได้ละเอียดลึกเท่าไร่เท่าไร่ก็จะมีฤทธิ์แรงมีอํานาจทําให้กิเลสลดได้เร็วได้มากโดยสัจจ์ความจริงของใครของใครก็แล้วแต่ถ้ามันไม่มากเราก็ต้องพยายามหาความเข้าใจโดยความเข้าใจด้วยสัจจ์ต่างๆาเออเราไปยอมแพ้เหตุ คือตัวกิเลตเนี่ยไปยอมแพ้มาเนี่ยเราก็เราก็อยู่อย่างโลกโลกซึ่งเราก็เคยเป็นมาแล้วเพราะฉะนั้นรสชาติในความอริดอร่อยแบบโลกียรสที่เสร็จสมเป็นรสแบบนั้นแบบที่เคยเป็นเคยมีเนี่เป็นสุขขันลิกะหรือเป็นโลกียะสุขเนี่ยเราจะค่อยๆเข้าใจมาเรื่อยๆมันจะเปรียบเทียบกับวูวูปสมวูปสมัต ส, สุข สุขอย่างสงบระ ง, งับหรืออย่างวิเวกที่แท้อย่างสงบวิเวกเออะไรมันจะดีกว่าตัวเปรียบเทียบตัวที่ชั่งตวงตัวที่จะตัดสินเอาของใครของใครก็แล้วแต่ของใครของมันผู้มีน้ำหนักโน้มเอ็นมาในทางเนกขมมะในทางที่จะออกเขาก็จะออกผู้ที่ไม่เน่ยมาเนกขมมะไ ม, ไม่มาทางออกยังมีอารมณ์ไปในทาง ชาวบ้านยังไม่ชางปุถุชนยังไม่ชางชาวโลกเคหาสิตะก็จะไปทางเคหาสิตะผู้ใดที่อน้มเอมาทางเนคขมัสิตะจะมาเป็นปนในทางจะออกจะละออกเว้นออกเลิกมานิเนคขม่เนี่ยก็จะจะเป็นจริงของแต่ละคนอะไรจะมีน้ำหนักกว่ากันนะ พอนิ่งญาณปัญญายิ่งชัดยิ่งยินดีในเนคขมมะนะยินดีในเนคขมมะญาณเองนะของใครของมันญาณยินดีในเนคขมมะมากถ้าใดๆมันก็จะไปอย่างนั้นอย่างนั้นถ้าพอใดยังยินดีในเคหัสิตายังยินดีในชาวบ้านเดี๋ยวมันก็จะโน้มไปในทางโน้นเดี๋ยวมันก็ยังจะชามันก็ยังจะดึงมันก็ยังจะนั่นน่นเอาหน่อยนะอืาต้องตยังนั่นนะอะไรนะ มันจะซูเอียด้วยวิธีทั้งทั้งทั้งปวงทั้งปวงหรือจริงๆมันแรงมากจนกระทั่งไม่มีเวลาตัดสินเราพรวดเลยเอาแล้วเอานั่นแหละเอ า, เอาอยางโลกโลกยงเก่านะเขายัา ง, อ ย, งอย่างเดิมใส่คะแนนหรือว่าให้อาหารให้อาหารไปตามโลกโลกไปตามเดิมเดิมที่เราเป็นเรามีอยู่มันก็ไปอยู่จนได้มันก็ช้าลงไปหรือมันก็วนเวียนอยู่อย่างนั้นน่นี่คือในยะที่อธิบายฟังคร่าวๆ ภาษาเมื่อเราฟังภาษาแล้วเราก็ไปอ่านอ่านสภาพพวกนี้กันจริงๆถ้าคุณมียานรู้อย่างที่อาตมาอธิบายเนี่ยรู้สภาวะจริงเห็นจริงเป็นจริงความเป็นวิจิกิจฉาความสงสัยลังเลเนี่ยก็จะลดลงลดลงลงมันจะเหลือลังเลอยู่เท่าไหร่เหลือยังไม่แน่ไม่ชัดเท่าไหร่ยิ่งยานแจ้งคือปัญญาญานที่ความรู้แจ้งเห็นจริงคือตาทิพย์เนี่ยตาวิเศษเนี่ย ไอสิ่งเหล่านี้ที่อธิบายนี่คือปรมตถ ธ, ธรรมทั้งนั้นคือปรมตถสัจจะคือจิตเจตสิกรูปนิพานทั้งนั้นที่อธิบายสู่ฟังเนี่ยเพราะมันยิ่งมีญาณเขาไปอ่านเห็นเขาไปไม่ใช่อ่านธรรมดาอ่านมีสภาวะรองรับแล้วย่งมีตัววิจัยมีญาตปริญญาทีระปริญญาปหานปริญญ า, า, ะญญาะจะิงมีความรู้มีญาณมีปริญญาที่ชัดเป็นปริญเยยะ จะต้องตรัสรู้ด้วยปริญญายะนะทุกเหตุแห่งทุกรวมหมดเลยแม้แต่ทุกนิโรธคือทุกดับแล้วเพราะดับเหตุทุกดับแล้วเพราะดับเหตุะหตจะดับด้วยวิธีสมถะจะดับด้วยวิธีวิวปัสสนาก็มียานเข้าใจไปหมดชัดเจนหมดสมถะก็คือสมถะจนกระทั่งเก่งไปจนกระทั่ ง, งอ่านรู้ยิ่งรู้วิธีประหารประหารได้ดีเป็นลำดับ จะต้องมีความเข้าใจเลยว่ามันมีต่ํากลางละเอียดอะไรต่างๆนานาเป็นลําดับของมันว่ามันมีมากมีน้อยมีลิงคะมีความเข้าใจในความแตกต่างจะแตกต่างด้วยขนาดด้วยปริมาณด้วยความช้าความนานด้วยความเหลือน้อยเหลือมากอะไรนี่จะมียานอ่านความแตกต่างเหล่านี้ออกจริงๆเลยจะความแตกต่างของความเหลือน้อยเหลือมากของกิเลสหรือว่าระยะยาวนานแล้วน่าร ะ, ระดับกิเลสนี้ได้หรื อ, รอมันไม่ไม่เกิดมาตั้งนานแล้วนะ แล้วมันก็ไม่เกิดต่อไปหรือว่ามันไม่เกิดมาตั้งนานโอ้มันโผล่น้อยนึ่งฮะเออมันโผล่แรงพอสมควรนะโอ้โหมันโผล่จะเอาเรากลับนี่แน่มันจะดึงเรากลับเลยนะนี่ไม่ได้แล้วนี่ต้องเวียนกลับแล้วไม่อยู่แล้วนี่กับชาวโสกต้องไปอย่างโน้นซะก่อนเถอะไปโ อ, โอ้เหตุผลมากๆอ ก, กิเลนี้มันมีเพื่อนเยอะ เหตุผลจูงดึงไปดีกว่านะไปช่วยทางโน้นจะได้ประโยชน์มากกว่าจะอะไรอะไ้ต่างๆนั่นนะไปหาเงินหาทองเอามาทำบุญก็ได้แล้วมาช่วยทีหลังก็ได้แต่ตอนนี้เราไปทางโน้นสักก่อนโหเราเข้าใจอะไรตะละเยอะแยะเหตุผลมันเยอะเลยแล้วมันก็จะไปหรือดีดีจริงๆมันแรงไม่ใช่ดีแล้วมันเร็วจัดๆนะกิเลสเล็เลวจัดๆนะมันจะไม่มีเหตุผลด้วยสักอย่างเลยบอกว่าเฮ้ยไปทุบโวยเท่าคําเดียวไปเลย ยังงดดีกว่าร้อไม่มีเหตุผลอื่นอ้างหรอกไม่ต้องอ้างไปดีกว่าดีกว่าแน่แมันก็ไปไอ้อย่างนี้ไม่ต้องไปดึงไปรั้งอะไรกันหรอกเหมือนกับที่ท่านบอกว่าฝนจะตกขี้จะแตกลูกจะออกพระจะสึกโอยถ้ามันมีน้ำหนักพระก็จะศึกจริงๆแล้วสึกจริงๆแบบอย่างที่ว่านี่นะบอกไปแล้วว้ยเนี่ยไม่มีเหตุผลอะไรไปดึงไปรั้งได้หรอกปล่อยให้สึกเถอะถึงไม่สึกไปเดี๋ยวก็ยุ่งอนนี้ก็อารวาสใจอยู่ในเนี่ย ถ้ามีน้ำหนักของกิเลสหนักถึงปานนั้นแต่ถ้าไม่ใช่ตัวเลวตัวร้ายขนาดนี้นะพอพูดกันได้พอพูดกันได้ทำามไม่หนักไม่ร้ายจนกระทั่งไม่ฟังเหตุผลอย่างนี้พอพูดกันได้ทีนี้ถ้าเผื่อว่ามีญาณปัญญาหรือมีแนวโน้มมาในทางเนคคัมมะพูดไปพูดมาก็ปิดเดียวก็ต้องเป็นได้เพราะฉะนั้นบางคนนี่จะมิตตกจริตหลงพกคนกลับไปกลับมาพวกนี้ชา้า พวกระบวนการช้านี่เลิกสถีเถอะไอ้ประเภทที่ไม่รู้จักตัดสินไม่รู้จักแล้วสักทีนึงวกไปเวียนมาวนเวียนอยู่เนี่ยเดยวก็แ0แสนสงไขกลับอ่ากลับหนึ่งนี่ก็เอาผ้าใยบัวมาผ้าใยบัวนะไม่ใช่ผ้าหยับหยาบนะไม่ใช่ผ้าเหมือนกับผ้าท้องบุ้งหรือว่าผ้าหยับหยาบอย่างนี้ไปลาดก็ผูกเขาูเขาอะไรไม่ใช่เว บ, บุรบาลพศนะ ภูเขาพระสุมเมนนะภูเขาพระสุเมนเอาผ้าใยบัวเนี่ยมาลาดไม่จะไปถูไปไถอะไรนะลาดร้อยปีก็เอามาลาดทิง้งเอามาพาดให้มันถูให้มั น, มนกระทบยอดให้แล้วยอดเนี่ยมันจะสึกสึกเพราะผ้าใยบัวเนี่ยมันมาพื้นเราไปเท่านั้นร้อยปีก็มาทําทิง้งจนกว่าภูเขาพระสุมเมนเนี่จะราบนะนะกับหนึ่งคือหยุดคิดได้เลยวันนานเท่าไหร่ ทีนี้แปดสินอสงไข์กับกับหนึ่งก็เท่านี้แล้วนะแ0ดสินอสงไข์กับอีกจะนานเท่าไหร่แล้วก็ไม่ต้องพูดเลยผู้จะบรรลุเป็นพระพุทธเจ้านะอันนี้พระพุทธเจ้ากว่าจะได้เป็นพระพุทธเจ้าเขา0ปดสนอสงไข์กับเนี่ยไม่ต้องคิดเลยที่นับว่าระยะทางเดินจากนี่ไปหาดวงดาวนั้นพันปีแสงหรือว่าปีแสงหนึ่งนี่นานเท่าไรร้อยปีแสงพันปีแสงนี่ยเขาก็นับระยะเวลา ปีแสงนี่เป็นอัตรานับเวลาก็ไม่ตรงนับกันแล้วแสงวินาทีหนึ่งเดินเท่าไหร่วินาทีหนึ่งเดิน 1,86 หม่นพันวินาทีหนึ่งนะทีนี้พันปีแสงปีหนึ่งมีเท่าไหร่ปีหนึ่งมีกี่วินาที พันปีมีกี่วินาทีก็คือเอาอัตราของแสงนี่มานับมาคูณคูณเข้าไปคุณเขียนตัวเลข ก, กับปวดมือแล้วคูณเข้าไปพันปีแสงระยะทางพันปีแสงจะคูณเข้าไปนั่นแหละมันจะห่างนานอีกเท่าไหร่เอาระยะเวลากดตามอ่าเอาละไอเนี่ก็เปรียบเทียบให้ฟังเขามีอัตราส่วนคือเหมือนกันเราเปรียบเทียบแล้วก็เอาอัตราส่วนเหล่านั้นมานับให้ฟัง คนเราเราตายตายเกิดเกิดเกิดเกิดตายตายเวียนวนนับชาติกันไม่ท้วนเพรัตนพุทธิได้ไม่ได้ศึกษาไม่เกิดสภาวะไม่เกิดความจริงจนกระทั่งเกิดจริงเห็นจริงอย่างน้อยที่สุดแม่ไม่ถึงขั้นว่าเรามาพยายามมนิยามรู้ว่าระลึกชาตินั้นชาตินี้ได้จริงเห็นชาติที่ข้ามชาตินี้ว่าเออจากชาติที่มาเป็นชาติมนุษย์ชาตินี้ชาติก่อนๆชาติโน่นชาตินี้คุณก็จะรู้โครงสร้างของความเป็นสัตว์ ของความเป็นความดีหรือความไม่ดีของคนหรือสัตว์สัตว์ที่เกิดมาดีสัตว์ที่เกิดมาไม่ดีสัตว์ที่เรียกว่าเดรฉานก็ตามสัตว์ที่เรียกว่าสัตว์นรก น, นิระยะภูมิสัตว์ที่เรียกว่าเดรฉานสัตว์ที่เรียกว่าอะไรอื่นๆหลายๆอย่างน่ะเป็นความเป็นสัตว์เป็นเปรตเป็นสัตว์นรก นิริยะเดริชานเปตวิสัยจนถึงอสุรกายอสุรกายในยที่จริงแล้วอสุรกายนีย่สูงกว่าเปรตสูงกว่านินริยภูมิสูงกว่าเดริชานแต่ยังไม่มีกำลังกล้าอสุรกายเนี่ยยังไม่มีกำลังกล้ามีปัญญาหรือมีภูกภูมิรู้แล้วแต่ยังไม่กล้าตัด ยังไม่กล้าลดกิเลสยังไม่กล้าสู้ยังไม่มีกาลังกล้าลยังไม่มีกำลังกล้าที่จะจัดการาเท่านั้นเองอสุรกายเพราะฉะนั้นในความในความเป็นพระโสดาบันจึงไม่มีลักษณะของภูมิสีเนี่ยมีสัตว์นรกมีเดริชานมีเปรตอสุรกายภูมิสีนี้อสุรกายท่านถึงไม่ได้อยู่ใน ที่เอามาอธิบายฟังว่าคุณสมบัติของอพระโสดาบัน8อย่างนี่อย่างแรกนี่คือภูมิสีแต่ภูมิสีที่พระเจ้าท่านตรัสไว้1นิริรยภูมิ2เดริชาน3าเปรต4อวินิปาตะนะ4นี่เป็นพวก เ, เป็นบอกเลยว่าขีนาปายาทุคติวินิบาต ขีณานะก็คือสิ้นสุดสิ้นสุดความตกต่าไปในขีดที่ตกต่ำเอาวินิปากตะนี่หมายเขามาขีดที่ต่ําสุดที่เรามีเพราะฉะนั้นแต่ละคนมีขีดต่ําสุดที่ตกต่าไปได้สุดของแต่ละฐานนะของแต่ละคนใครจะตกต่ําจะช่วยจะเลวจัดไว้ขนาดไหนก็นแล้วแต่ถือของเรา จะเอาไปเที่ยวคนอื่นก็ได้แล้วก็จะรู้ว่าภูมิเราสูงกว่าแต่ว่าไม่จำเป็นจะไปเที่ยวคนอื่นเราเอาของเรานี่ยเรเอ๊ะเราขนาดนี้เราต่ําสุดแล้วนะเรารู้สึก เ, เราต่ํามันต่ําของใครก็จะต้องรู้ของใครให้จริงกัแล้วกันถ้าต่ําขนาดนี้นี่เราก็รู้ได้ว่าเออเราสิ้นสุดความต่ํานี้แล้วเพราะนั้นเป็นข้อที่สี่หรือเป็นเขตเขตวัดเกรดของเราเพราะเรารู้ตัวเราว่าเรามีความต่ําขนาดนี้ ในอาการที่ต่าขนาดนี้เอายกตัวอย่างเช่นว่าเราต่าแค่สูบบุรี่นะเราต่าแค่ติดไอลิปสติกเนี่ยหรือเราต่ําแค่ติดแหมติดอะไรอ่ะติดกามติดอบายมุกอะไรก็ตามใจเถอะไอที่เราผู้หญิงไปติดนะนะผู้หญิงจะติดอะไรเดี๋ยวนี้ผู้หญิงติดเหล้าติดยาติดอะไรเขาก็ติดนะแต่ติดเรื่องการแต่งตัวนี่พูดก็ไม่รู้เรื่องเลย สิ่งที่ยั่วกรามเยอะผู้หญิงนี่จะติดสิ่งที่ยั่วกรามผู้ชายนี่จะไม่ใช่เรื่องจะไปย cool ั่วกรามผู gaan. ้เป <videos> <met> <pect> ็นผู้ที่ตะกลุมตะกรามกามผู้ชายเนี่ยเป็นตัวตะกลุมตะกรามกามเพราะฉะถ้าลดตัวตะกลุมตะกรามไม่ใช่เป็นตัวยั่วนะเป็นตัวเสพผู้ชายนี่เป็นตัวจะเข้าไปเสพผู้หญิงเป็นตัวรับผู้ชายเป็นตัวที่จะจะเอาเหมือนกันนั่นแหละแต่ว่ามันก็เป็น มันเป็นก็เป็นคู่เราเป็นเรื่องเมตุนเพราะฉะนั้นผู้หญิงนี่จะเป็นตัวปรุงแต่งเชิญชวนอยู่ตลอดเวลาคือจะรู้ว่าธรรมชาติสัตว์โลกเขาเป็นยังไงนะผู้หญิงก็จะเชิญชวนอยู่ตลอดเวลาอันนี้จึงเป็นอบายมุกหนะักเรื่องของเรื่องก็คือจะต้องมีความสืบต่อความไม่จบความไม่หยุดเกิดความจะต้องเป็นสัตว์โลก คอยจะต้องอยู่ในเป็นสัตว์โลกเนี่ยเพราะฉะนั้นอาการของความจะต้องยังอยู่เป็นสัตว์โลกมันจะต้องสืบทอดสืบต่อตลอดเวลาตัวเองตายก็ตัวเองเกิดตัวเองให้เกิดกำเนิดส่วนที่เป็นเชื้อสายเผ่าพันธุ์ก็คือตัวเองนั่นแหละไม่ยอมตายจะต้องอยู่นิรันต์ตลอดเวลาก็ท อ, อ, อ, อดสืบท อ, อดเชื้อสายอะไรตัวเองเอาไว้ ไอ้สืบทอดเชื้อสายนะั่นนะก็ทวาจริงๆแล้วก็คือตัวบอกจิตวิญญาณวิบากของเราเนะี่ยบอกจิตวิบากว่าฉันยังไม่ยอมตายฉันยังไม่ยอมตัดฉันจะต้องมีสภาพลูกที่มันนิชาตะมีความเกิดตลอดนิรันดร์การยืนยันรูปธรรมยืนยันสภาพรูปธรรมตัวตน เพราะนั้นผู้ใดที่เข้าใจแล้วไม่ต้องไปจาะเชื้อต่ออะไรแล้วต้องไปต้องไม่มีลูกสืบทอดอะไรต่อก็เหลือแต่ น, นามธรรมเพราะนามธรรมก็จะไม่ไปสืบทอดต่อแบบนามธรรมที่จะไปเป็นลักษณะที่จะไปอย่างนั้นเองจะต้องหานามธรรม ท, ที่คนที่ตัดเป็นลูกเน่ต่างกันขึ้นมาแล้วเพราะลูกพระเจ้าหรือลูกพระโพธิสัตว์จะเป็นลูกที่ตัดลูกที่ยังไม่ตัดเนี่ยไม่ใช่ลูกก็ลูกที่ยังเอาแต่ต่อเนี่ยไม่ใช่ลูก นะฟังดีๆฟังให้เข้าใจสภาพนะเพระาะฉะนั้นเมื่อมีความรู้ในขีนาปลายะอติวินิบาศกับเปรตนิริยะนี่คืออาการของจิตที่มันเด้าร้อนดิน้นรนมันจะต้องมันแรงก็เพื่อนและนิรยานิสัตว์นรกึจงเรียกสัตว์นรกแทนนิริยะภูมิภูมิแรกเนี่ยเพราะฉะนั้นภูมิแรกนี่จะต้องสิ้นสุดจะต้องไม่มีอาการนี้อีก ไม่มีอาการนี้อีกขีณ น, นิรรยะอาการแรกเนี่ยเราจะรุ่งรู้อาการในจิตใจโอ้โหมันเร่าร้อนมันรุนแรงมันดิ้นรนเรียกโดยภาษาไทยมาแปลเนิรรยะเป็นสัตว์นรกเนี่ยสัตว์นรกมันดิ้นรนเดือดร้อนรุนแรงมันจะต้องเอามาหาเอามาได้เอามาเป็นเอามาเสพเอามาหลงว่าเป็นสุขจะต้องได้ตรงมีตรงเป็นเร่าร้อนอาการเร่าร้อนพวกนี้เราคืออาการแท้ของ กิเลสในจิตนั่นแหละมันทําหน้ามืดตาโมอะไรมันก็จนกระทั่งมันไม่รู้ตัวเลยแหละถ้ามันจะเสพแล้วมันจะไม่รู้ตัวเลยมันไปเลยมันจะเอารุ้นแรงทีนี้ถ้าเผื่อว่าเราเกิดญาณเกิดปัญญารู้เราโอ้มันแรงขนาดนี้แล้วคุณก็มีฤทธิ์มีฤทธิ์ทางธรรมสามารถเอามันลงสามารถทําให้มันอ่อนตัวสามารถทําให้มันวิราคะจางคลายลดละมาจนกระทั่งอ่อนแรงจนกระทั่งสยบ เหลือน้อยจนกระทั่งมันไม่ใช่ลิตของตัวนิรยะแล้วนะมันไม่ใช่ตัวนิรยะแล้วทีนี้ตัวแรกที่สุดถ้าจะว่าไปแล้วตัวกลางของมีภูมิสามนี่มีนิริยะเดริชานกับเปลตนะฟังความต่างของสามอย่างนี้อาการนิริยะนี่แรงอาการเดริชานี่คลุมหมดเลยนะอาการเดริชานี่คือความโง่ แล้วถ้ากมาแปลอีกอย่างหนึ่งว่าความขวางเดริชานแปลว่างโง่หรือแปลว่าการขวางตอนแรกเนี่ยเมื่อพ้นความโง่พ้นอวิชชาแล้วรู้เมื่อรู้แล้วเกิดญาณแล้วเนี่ยก็คือยังเป็นเดริชานในระดับหนึ่งแต่ก็พ้นความเป็นเดริเดชานระดับหนึ่งคือพ้นโง่แต่ก็ยังขวางมันจะขวางอยู่นี่แหละ ขวางแรงมากก็คือว่ามันเป็นนิรยะแรงมันก็ขวางมากเลยขวางอะไรขวางทางจเจริญขวางทางจะไปสูนิพพานนั่นแหละมันจะขวางมันจะกั้นมันจะสู้มันจะเป็นตัวศัตรูคุณจะสู้กับไอตัวขวางเครื่องกีดขวางคือศัตรูนี่แหละเดรจฉานเพราะฉะนั้นเมื่อคุณอยากเปรตปิตตวิสัยเนี่ยอยากแรงแรงมันก็เท่ากับนิรยะ คือจริงๆมันเป็นอาการเดียวกันดำน้อยมากหรือว่ามีลักษณะที่มีนัยยะต่างๆเท่านั้นเองนะมันอยากแรงๆจนดิ้นรนนิรยามันก็เป็นสัตว์เปรตถ้าไม่รู้ตัวเลยก็คือโง่สมบูรณ์แบบเดริฉานสมบูรณ์แบบนะไม่ใช่ขวางแล้วเนี่ยเป็นเลยพอดิ้นพอรนพออยากก็เต็มรูปทั้งสามอย่างเลย สมบูรณ์แบบพราะงพอเริ่มฉลาดพอเริ่มแจ้งมียานเห็นเห็นโอ้โหมันแรงขนาดนี้สู้มันไม่ไหวก็ต้องรู้แล้วก็สํานึกรู้แล้วก็สํานึกโอ้โหมันอยากแรงจนมันดิ้นรนมันอยากจนต้องดิ้นรนเอาหนักเข้าหนักเข้าความดิ้นอ่อนแรงลงความดิ้นอ่อนแรงลงความฉลาดเพิ่มขึ้นความเป็นเดรัจฉานเพิ่มขึ้นไอตัวที่ขวางมันลดลงลดลงลดลงลดลงลดลงลดลงลดลงมาเราก็จะรู้ กิเลสที่เป็นปิติวิสัยที่อยากนี่อยากน้อยลงอยากน้อยลงอยากน้อยลงแล้ว่าอยากความแรงของความอยากก็น้อยลงน้อยลงน้อยลงก็คือตัณหากิเลส ท, ที่เรียกว่าตัณหาคืออาการของกิเลส ท, ทั้งหมดนี่แหละเรียกว่าไอตัวเลวอ่ะกิเลสก็คืออาการของจิตที่มันเลวนั่นแหละนี่กำลังแยกวิเคราะห์อธิบายความหมายของมัน้ได้ที่จริงมันเป็นตัวเดียวแบ่งมาให้แบ่งมาเรียกอธิบายให้คุณฟังทอนนั้นเอง เพราะเมื่อความความอยากเราจะรู้ได้โอ้ตอนแรกเนี่ยมันขั้นแรงนี่เราให้ค่ามันว่าวิติกาม ก, กิเลสกิเลสอยากแปลงโอ้มันแรงทีนี้มันเบาลงเบาลงเ บ, บาลงกับปริยุทธานกิเลสเบาลงมาเรื่อยเื่จนกระทั่งเห็นว่าเอออย่างนี้เบามากแล้วความดิ้นรนในระยะก็สุดสิ้นไปไม่ละพอชนะพอปริยุทธานพอมาหาเอียงเข้ามาความอยากเบาบางลงอาการขวางขัดตัวเราเองเนี่ยกิเลสมันขวางเรา ไม่ให้เราไปสู่นิพพานมันไม่ว่างเนี่ยะมันก็เล็กลงน้อยลงน้อยลงน้อยลงความอยากนั่นเองมันก็อยากอยู่เหมือนกันนะแต่มันไม่มีแรงพอแล้วก็มันก็ต้านเราไม่ได้ชนะมาเรื่อยๆชนะมาเรื่อยๆเรื่อยๆทีนี้การอธิบายในลักษณะสข้อในโสดาบันสี่อันหลังเนี่ยโสตาปันนะอวินิปาตธรรมนิยตะสัมโพธิปรายนะ อีกสอันหลังเนี่ยสอันนั้นเป็นสภาวะสอันหลังนี้เป็นคุณภาพเป็นการแสดงถึงลักษณะของคุณภาพอาริยภูมิเป็นการแสดงถึงคุณภาพของอริยภูมิภูมิพระอริยะเพราะฉะนั้นถ้าเผยว่าคุณเหตเองเห็นแล้วว่าโอ้กิเลสอย่างนี้นะตั้งแต่เป็นนิระยะเป็นเดริชานเป็น ปิติวิสัยหรือเปลิเนี่ยในเขตเนี้ยนะอวินิปาตะเนี่ยถึงขั้นขีนาปายะเอาวินิปาตะถึงขั้นจะสิ้นสุดลงไปได้เนี่ยมันจะค่อยๆกว่าจะสิ้นสุดมันก็ต้องเห็นว่ามันยังไม่สิ้นสุดในง่ายหรอกมันก็ค่อยๆเป็นมาลูกิเลสก็ก็จะค่อยๆไกลกิเลสมาทีนี้จะเอาภูมิอรหรันต์มาอธิบายโสดาสอน ภูมราหานมีขีน า, ามีสภาพขีนะแทบทั้งนั้นเลยนะมีสภาพที่จะต้องสิ้นสุดพวกนี้ลงมาจริงๆถ้าไม่สิ้นสุดไม่ขีนานิริยะขีนาเดราชาเรชาเรชาเดริชาเดราชาิดรา ช, าดราชานายโยนิกะโ ย, โยนิยะการเกิดของโดเดราชามันไม่มีมันไม่เกิดดี่นะ ขีณาปิติวิสัยขีณาปายะอติวินิบาตมันจะสิ้นสุดทั้งสี่นี้ลงมาเพราะฉะนั้นลักษณะที่เป็นขีณาสวะหรือสิ้นสุดอนุสัยมันก็จะมีลักษณะที่อธิบายได้อย่างอรหันตภูมิหรืออรหันตภูมิแม้จะเป็นเหตุปัจจัยอย่างไรกันแล้วแต่ถ้าคุณอ่านจิตใจออกอ่านจิตของเราออกก็จะมีอรหันตในโสดาหรืออรหันตในสิ่งที่เราเป็นตัวเหตุกิเลสนั่นแหละ ลัก ก, กิเลสมันจะเหมือนกันภูมิอรหรันหรืออรหัตผลก็คือหนึ่งไกลจากกิเลสอรหันตะนี่แปลก็แปลความไทยก็ชัดเจนไม่มีปัญหาอะไรเป็นไกลจากกิเลสมาเรื่อยนี่จะยืนยันได้ว่าคุณจะบอกตัวเองได้ว่าเราไกลจากกิเลสนั้นแล้วหรือยังไม่ใช่เดาไม่ใช่รู้ภาษาแต่คุณรู้สภาวะเนี่ยถ้าคุณไม่มียานรู้สภาวะคุณไม่รู้แล้ว่าเราไกลจากกิเลสกิเลสมันเป็นยังไงเราไกลจากมันยังแต่ก่อนมันเป็นยังไงเดี๋ยวนี้มัน มันมาเยี่ยมเยือนเราอยู่เสมอหรือว่ามันยังเต็มอยู่ที่ตัวเราเสมอหรือว่าเออมันไม่มาหรอกไม่ก็เห็นหน้าหรอกไอ้เพื่อนตัวนี้เพื่อนสองไนะแต่ก่อนนี้เพื่อนสองกิเลสนี้เป็นเพื่อนเราสนิทชิดเชื้อเรียกว่าเพื่อนสองตอนนี้ไม่ค่อยมีเพื่อนสองแล้วอยู่เอกาอยู่เดียวอยู่เดียวอยู่แต่ผู้เดียวมีตัวแต่ผู้เดียวไม่มีเพื่อนสองขึ้นมาเรื่อยละไกลไอ้เพื่อนไม่ค่อยมาเยี่ยมเชิญมายังไม่ค่อยมาเลย นานๆเพอผลอมาทีนั่นนานๆเพอผลอมาทีแต่เชิญจริงๆไม่มาคือมีสติไม่มาถ้ามีสติดีๆไม่มาไอ้เพื่อนนี่เชิญยังไงมาสิเองกวดดีก็มาเจอกันสิไม่มาแต่เผลอไม่ได้เผลอมาจนกระทั่งเผลอๆก็ไม่มาคิดถึงก็ไม่มาพยายามติดตามก็ไม่มา จนกระทั่งแน่ใจว่เออไนี่เหตุปัจจัยนี่เครื่องย่อเยาไอนี่เครื่องย่อเยากิเลสอันเนี้ยอยู่กันมาเนี่้ยก็เองก็อยู่เนี่ยทําำไมไม่เกิดทำไมไม่เกิดทําไมไม่ขึ้นทําไมไม่มาจะเห็นเลยว่าเออไอกิเลสนี่ชักจะปลุกไม่ขึ้นแล้วชักจะหมดแรงแล้วชักจะหลบลี้หนีหน้าจริงๆแล้วนี่ขนาดอยู่กับเหตุปัจจัยแท้ๆนี่ก็ไอบ้านนี่บ้านมันน่ะเรือนมันน่ะแท้ๆเลยนี่มันอยู่เนี่ยมาดูคนแล้วยังไม่เห็นเลยอยู่ในซอกไหนนี่เหตุปัจจัยที่มัน เคยเป็นตัวยั่วเยากระถบสัมผัสแล้วมันขึ้นเกิดคนซอกแซกในบ้านนี้อบานกิเลสหนึ่งตัวนี้หมายความว่าอยู่โจทย์ประจันหน้ากันเลยมันก็ไม่เห็นแล้วไม่ขึ้นเพ้อก็ไม่ขึ้นอยู่นะเอาละอยู่ในบ้านนี้แหละก็คือเราครุกคีเกี่ยวข้องกับเหตุแห่งกิเลสนี้เหตุปัจจัยนี่อยู่เนื้อมันจะอยู่เนื้อมันก็อยู่ในบ้านนี้แหละก็คือบ้านกิเลสนี่ยนะจะนับจะนอนจะอยู่ไปยังไงมันก็ไม่เคยหลอกบ้านนี้ไม่มีผีสิง ผีตายแล้วหรือผียังไม่ตายหรอกแต่มันนานๆคําว่าหลอกเล็กๆ น, นอก้อยๆอะไรเนี่ยเนี่ยคิดว่ายกตัวอย่างโดยนามธรรมพวกนี้จะชัดเจนไอ้วูดูประธรรมพวกนี้จะชัดเจนเห็นไหมเนี่ยมันจะมีอาการเหล่านี้ให้เรารู้จริงๆเพราะฉในข้อแรกที่พุทธเจ้าท่านบอกว่าอรหันต์ตัดไกลจากกิเลสจะไกลในลักษณะที่อาตมาอธิบายฟังเนี่ยมันไกลมากไกลน้อยขนาดไหนคุณจะมียานรู้สองขีนาสวะ ตอนนี้บอกแล้วว่าขีณานี่คือมันจะสิ้นสุดเพราะพระอรหันต์เจ้านี่จะอ่านหนึ่งไกลแน่กิเลสนี่มันไกลเลยไม่รู้มันอยู่ไหนแล้วโอ้โหไกลหลายล้านปีแสงอ้วอกกล้องทางไกลกล้องสองดวงดาวสองเท่าไหร่ก็ไม่เจอหรอกดาวดวงนี้ไม่เจอกันแล้วไม่เกิดไม่พบกันเราอยู่คนละพบแม้จะอยู่ในมหาจักรวาลนี้มันก็อยู่ที่ไหนมันเป็นของคนอื่นคนอื่นเอาไปควงเราไม่ได้สิทธิ์ไม่มีสิทธิ์ควงเลยมันจะไม่ตายกระชังมันเถกิเลสนี่มันอยู่ในโลกกระชังอยู่ในเอกภพนี่ก็ชัง เราค้นคว้าหามันไม่เจอมันไกลเหลือเกินไกลจากกิเลสนี้เอากล้องอย่างชนิดดีที่สุดแจับได้ระยะหลายล้านปีแสงหลายล้านพันปีแสงมันก็ไม่เจอไกลจากกิเลสนะไกลมากจกนกระทั่งขีณาสะวะแน่ใจว่าสิ้นสุดถอนอาสะวะเดรักษณะถอนอาสะวะเป็นอย่างไรแล้วอัตมาจะค่อยๆ อ, อ, อธิบายทีหลังนะ ข้อสองนี่ขีนาสวะหนึ่งใกล้จากกิเลสสองสิ้นสุดอาสวะกิเลสนั่นแหละนั้นจริงๆต้องมียานรู้ว่าอาสวะกิเลสเป็นอย่างไรนะมิติกรมกิเลสปริยุทธฐานกิเลสหรืออนุสัยกิเลสนี่แหละคืออาสวะอนุสัยหรืออาสวะนะั่นอันเดียวกันเรียกในลักษณะหนึ่งเรียกอนุสัยมันนอนนิ่งนอนเนื่องไอ้นี่นิ่งเหมือนก็ไม่มีนะเหมือนตายเหมือนมันตายนิ่งเหมือนตายแล้วนะไม่เกิดจริงๆแต่ที่ไหนได้มันหมักดองนะ มันเป็นยีสต์เหมือนตัวยีสต์ตัวเชื้อหมักดองแล้วเรากม็มียานทะลุเข้าไปรู้แต่ต้องรู้ต้องถึงว่าต้องกระทุง้งกระเถือนต้องกระแทกต้องกวนจริงๆนะโอ้โหไอ้เจ้านี้หมกักอยู่ก้อนบึง้ง <c oughs> เพราะฉะนั้นมันจะต้องมีผัรษะเป็นปัจจัยต้องมีปัจจุบันธรรมไม่มีผัรษะเป็นปัจจัยไม่กวนขึ้นมานึกว่าเราเองหมดแล้วแบบฤาษีนะเพราะว่าฤาษีไม่มีทางเป็นพระอรหันต์ไม่มีทางที่จะถอนสิ้นอาสวะระบบฤาษีท้าได้ไม่มีทางสิ้นอาสวะ มีระบบพระพุทธเจาเน่จริงจังกระทุ้งกระเทือนมันออกมากระแทกมันออกมาถึงจะออกไอทีนอนเนื่องก้นบึ้งอยู่ที่จะหลบแหมหมักดองแตกตัวหลบสร้างพันโอ้โหเป็นตัวไม่ตัวไม่จะพอฟอดนะไม่ใช่พวกจุลินซีนะนี่ะพวกจุลินซีละอ่า พวกอะไรล่ะภาษาอังกฤษอะแม็กฮะไมโครไมไมโครอนิกอ่าไมโครอคนนิกเนี่ยไม่มีแล้วในเรือไมโครอคโนนิกสิ้นแต่ถ้ามันเป็นไมโครอคนนิกอยู่มันเป็นจุลินทรีย์มันเป็นยีสต์มันเป็นตัวจุลชีพมันก็แตกตัวมันมันพพก่อเผาก่อพันนะ มันจะต้องถูกกระทุ่งกระแทกไม่ให้มันกบดานนอนเนื่องอนุสัยเนี่ยมันกบดานมันอยู่นะแต่มันอยู่อย่างเราตามมันไม่ออกตา ม, มไม่ติดมันจะต้องอาศัยธรรมชาติที่อยู่กับเหตุปัจจัยที่กระทุง้งกระเ ท, ทือนออกมานั่นจึงจะขึ้นมาให้เราเห็นเพราะจะสิ้นสุดอาสวะโดยไม่สิ้นสุดอาสวะนี้เราก็จะต้องรู้ด้วยวิธีจะถอนอาสวะอนุสัยก็จะต้องมีเหตุมีทวารทั้ง6อย่างที่อาตารยนุติธิที่เคย อธิบายฟังแล้วว่าจะเห็นอนัตตาไม่มีตัวตนของมันอย่างเกลี้ยงสิ้นแม้แต่อนุสัยแม้แต่กิเลสระดับอนุสัยหรืออาสวะนะเมื่อเรารู้ว่ามันไกลกิเลสนี่มันห่างไกลจริงๆมันไม่มีมามันไม่มีไม่รู้อยู่ไหนไกลจริงๆริอรหันต์แล้วก็เข้าใจในในไกลก็รู้แล้วว่าห่างในก็รู้แล้วอาสวะเป็นอย่างไรสิ้นสุดไม่มีเพราะฉะนั้นเมื่อเรารู้อย่างนี้เราก็จะอ่านรู้ว่าอ๋อเนี่ยมัน พรหมจรรย์อยู่จบเป็นข้อที่สาของอรหันต์เราจบพรหมจรรย์นะเราจะรู้มันหลงได้มันเผลอไม่ใช่เผลอเราบางทีมันญานยังไม่สูงยงพาพ ย, ยังไม่มากเราก็จะนึกว่ามันหมดอาสวะเราก็จะจะจะหลงตัวอย่างนั้นได้เหมือนกันแต่ถึงหลงก็เถอะมันจะต้องรู้จักหยาบกลางถ้าหยาบกลางนะคนเราแหมหลงหยาบกลางเป็นอาสวะนี่แสดงว่ายานยังขี้เถิดเต็มทีนะ ขนาดกิเลสหยาบก็ยังหลงว่าเป็นอาสวะกิเลสกลางก็ยังเหลือนึกว่าเหลือเป็นอาสวะแล้วก็ไม่มีแล้วอะไรเงี้ยก็แสดงว่ายานของเราตรงเตงนะไม่ใช่ยานญานทัศนวิเศษเป็นญานตรงเตงเพรา ะ, ะเราจะรู้ว่าเมื่อเราอ่านนึกสามารถมียานเข้าใจอาสวะหรืออนุสัยแล้วว่านี่สิ้นสุดอาสวะสิ้นสุดอนุสัยแล้วนะอย่างนี้ก็คือผู้รู้ตนเองว่าวุสิตวันตะเป็นผู้รู้ความจบ พรหมจรรแล้วแล้วก็จะรู้เป็นข้อที่สว่าตกลงเราก็จบกิจกิจเราที่ควรทําได้ทําแล้วนะเป็นกร ะ, ะ, ะ, ะ, ะ, ะตะกตานี้แปลว่าแล้วกตะกรณียะเป็นข้อที่สี่เราเออกิจเราเสร็จแล้วอันนี้จบละงานที่เราจะต้องทําให้แก่ตนก็คือลักิเลสนี่แหละอันนี้ถอนอนุสัยอาสวะขีนาสวะแล้ว พอเมื่อขีณาสวะแล้วก็จบพรหมจรรย์อันนี้เพราะฉะนังก็เสร็จกิจกัตกรณียะกิจนี้เสร็จแล้วเมื่อกิจนี้เสร็จแล้วเราก็จะมีญานลึกละเอียดเข้าไปรู้อีกว่าภาระจบแล้วนะโอหิตภาระภาระเสร็จแล้วเราปรงภาระแล้วไม่เป็นภาระแกเราอีกแล้วมันจะมีอยู่เหตุปัจจัยทั้งหลายแหล่ทั้งอะไรในโลกุตรจิตที่สุด สิ่ที่เหนือสุดเนี่ยไม่เป็นภาระกัเราเรามันจะมาย่าจะแย่จะมากระทุ้งกระเทือนมันจะให้เราพิสูจน์เสมอมันจะพิสูจน์หรือมันจะยืนยันเลยว่า เ, เหตุอันนี้มันมาโดยอ้อมโดยตรงอะไรก็แล้วแต่ญาณปัญญาจะมีจริงเป็นจริงเข้าใจรู้เท่าทันมันนะเป็นอันว่าภาระภ า, าระอันนี้สิ้นแล้ววางแล้วปรงแล้วจบแล้วโอหิตภ า, าระไม่มีภาระหรือว่ามี มีภาระอันวางลงแล้วอันวางสิ้นแล้วมีภาระอันวางลงได้เสร็จแล้วนะแล้วก็จะมีญาณเข้าใจท่ามุเพนิวาสานุสติยานะรึกยอนะรึกตัวนะรึกสอบก็จะครบสมบูรณ์เป็นการรู้อนุปัตตสถถถัทถะอนุปัตตสถถัทถะนะญาณที่6คือมีประโยชน์อันตนบรรลุโดยลำดับแล้ว จะรู้ว่าอ๋อหยาบมากลางมาเหลือละเอียดเหลือน้อยเหลือเล็กมาเป็นลําดับว่าเออแต่ก่อนนี้มันเป็นยังงั้นนะแต่ก่อนนี้อันนี้เราจะนําให้เรารู้ถึงภูมิเก่าเก่าบุเพนิวาสานุสตีบอกอ๋ออย่างน้อยก็รู้ในชาตินี้อย่างน้อยก็รู้ในวันในเดือนในปีอย่างน้อยจะรู้ตัวเราแต่ก่อนนี้เราติดหยาบขนาดนั้นนี่มันค่อยๆลดละลงมามันจางคลายลงมามันแต่ก่อนมันเล่นเราจัดเลยเล่นแหมชักเยื่อกันหรือว่าสู้กันมาไม่รู้กี่ ไม่รู้ว่าเนี่ยนะแค้นต้องชำระกันมากี่ชาติหนังจีนมาไม่รู้กี่ชาติเลยชาตินี้เราเด็ดขาดเป็นจอมกระบีม่มือหนึ่งตัดขาดเด็ดขาดไม่มีใครกล้าต่อแยกิเลสนั่นเองกิเลสตัวนั้นแหละกิเลสไอเจ้าคู่ปรับเก่านั้นไม่มาต่อแย่อีกตายสนิทเลยไม่มีวิธีแก้ฟื้นอีกแล้วเพราะฉะนนั้ไปให้อาจารย์ไหนแก้อีกก็ไม่เกิดอีกแล้วไอเจ้าคู่ศัตรูนี่ตายสนิท จะเห็นได้ว่าหนังจีนนี่นะตายแล้วเนี่ยโอ้โหขนาดตกหน้าผายับเยินมันยังฟื้นเลยมันมันเหมือนว่าตายถูกแหลกละเอียดยังไงมันยังฟื้นเลยไปเจออาจารย์ดีแก้ให้ฟื้นได้วเสมอเลยดีไม่ดีชาวไร่ชาวนาไปเก็บได้มาฟื้นเอามาเดี๋ยวโผล่มาอีกแล้วนึกว่าตายแล้วนนี่นึกไอ้เจ้านี้ตายแล้วเฮ้ยท่านโผล่มาอีกวะหนังจีนเราจะเห็นหลายเรื่องโผล่มาอีกก็คือกิเลสนี่แหละ มันเหมือนตายแล้วแหลกรานแล้วนะแต่อย่างยังฟื้นได้แต่นี้เห็นตายสนิทที่ตายสนิทก็เพราะว่ามันไม่ได้หนีไปไหนมันอยู่นี่แหละแต่มันไม่มีฤทธิเดชเลยมันไม่มีอาการเกิดมาต่อแยกเราแต่จริงๆมันเกิดเต็มที่แต่จริงๆมันมีบทบาทอยู่ในโลกียะนี่แหละแต่มันเหมือนตาย มันไม่มีฤทธิ์อะไรกับเรามันไม่เป็นศัตรูเราได้เลยมันไม่ต่อแย่เราหรอกตอแย่เราไม่ได้มันได้แต่คนอื่นมันทำอะไรเราไม่ได้เลยเราอยู่ยงคงกับพันเด็ดขาดนี่โลกุตระมันเป็นอย่างนี้เราอยู่ยงกับพันมันอยู่อย่างนี้เรารู้รู้เท่าทันมันเลยจริงๆแล้วมันไม่กล้าต่อแย่เราเป็นแต่มันจะอยู่ก็อยู่ไปแล้วทำอะไรเราไม่ได้ทำอะไรเราไม่ได้ดีไม่ดีมันเป็นบริวารเราเราใช้มัน ทำงานให้คนอื่นแต่ทำงานช่วยคนอื่นได้ด้วยนะมันไม่ไม่ไม่ไ ม, มีมิริไ ม, ม, ม, ม, ม, ม, ม่มีเดชอะไรกับเราเพราะฉะนั้นเมื่อเราวางนี่เสร็จแล้วเราก็จะรู้ว่าเออไอเหล่านี้นี่เราได้ทำมามันมันมันบรรลุมาเราสามารถที่จะชนะหรือได้ได้ประโยชน์หรือว่าได้คุณภาพได้คุณธรรมนั้นเป็นลําดับลําดับลําดับมานี่เป็นคุณธรรมอันที่6เสร็จแล้วอันที่7ก็ตรวจสอบทบทวนทักเข้าใจด้วยปัญญารู้จักสังโยชน์ทั้ง10 รู้จักสังโยชน์ทั้ง10เพราะฉะนั้นตั้งแต่หยาบส ก, กายะจนกระทั่งถึงรู้จักวิธีทําคือศีลพรนเมื่อศีลพรนทํามีประโยชน์ศีลพจนที่ปฏิบัติแล้วมีมักมีผลเรียกว่าพ้นศีลละพัฒปรามาศเคยอธิบายฟังแลว่าศีลละพัฒปรามาศกัศีลละพัตตุ ป, ปาทานต่างกันศีลละพัตตุ ป, ปาทานเนี่ยยังไม่พ้นมิจฉาทิฏฐิยังทำงมงายอยู่ตามศีลตามจารีตประเพณีวัฒนธรรมพากันทำป้าไม่ค่อยจะเข้าใจ ส่วนศีลพระพุปรามาสนั้นสมาธิฏฐิแล้วแต่ศีลของคุณก็ดีการปฏิบัติบําเพ็ญประพฤติเรีกว่าพัฒตะหรือพลทของคุณก็ดีคุณไม่ใช่ทําแก่แค่ทําแค่จับจับจดจดทารูปรูปทาคร้ครทำทําเล่ น, ล น, ลนหัวหัวทำอย่างเหาะเหาะแยะยไม่ใช่คุณทําอย่างจริงจังทําแล้วคุณมีมรรคมีผลคุณจะมียานรู้ว่าเราทําได้ผลหรือเปล่าหรือว่าเ อ, อยู่ไปวันวันฝันถึงดวงดาว อยู่ไปอย่างงั้นก็อยู่กับหมูกับฝูงเราก็แต่เราไม่ได้เจริญขึ้นเราไม่ได้ลดไร้ละได้จางได้คลายขึ้นถ้าอย่างนั้นแล้วก็มันก็ไม่พ้นศีล้วพอจะปรามาณ <c oughs> คุณก็เห <c oughs> มือนถือสีนัะนนะดีไม่ดีหมดแม้ในศีล2งรฉะนั้นะยังมีสี จ, จสุลสีมชิมศีมหาสีแต่ไม่รู้เรื่องอยู่กับหมู่ไปงั้นนะเป็นแกะพิการเป็นลูกแกะพิการหมู่ลากไปเรื่อยๆสักวันนื้อแกะพิการเผลอๆอาการพิการนั้น หลุดจากหมูนิดหน่อยหมาจิงจอกก็มาฆ่าไปกินเท่านั้นเองนะระวังเถอะหมาฆ่าไปกินเนีนี่พูดเพราะนะหมาฆ่าไปกินนี่พูดเพราะอ่าพูดให้ชัดเองก็ พ, พูดเราเองใครจะพูดให้มันหนักมันแรงมันหยาบคนนี้ก็ของใครของมันหมาก็ฆ่าไปกินเท่านั้นเองอยู่ยังไปกมุมูมีแรงดูดกุมูนําพาไปเท่านั้นก็ใช้ไม่ได้ เพราะฉะนั้นเราจะต้องเป็นผู้ที่รู้เลยว่าเรามีภาวะแข็งแรงโตขึ้นเจริญเพราะฉนนั้จะต้องตรวจสอบสังโยชนี้ได้มีศีพลพรตที่เราปฏิบัตินี่มีผลผลสรุปแล้วก็คือศีลแ ล, ลพ้นศิลแพระตปรามากก็คือไม่ได้ถือศีลถือพรตไม่ได้มาบำเพ็ญเปล่าใดมีการบำเพ็ญได้ผลมียานรู้ว่าเราได้ผลถ้าผููใดเสง่เสง่ เ, เออเราไม่เจริญขึ้นเลยระวังศีพลพรตมันจะไม่พ้นมันไม่มจะไม่ผ่านมันจะแช่มันจะติดอยู่ตรงนั้น เห็นอย่างมียานพ้นวิจิกิจฉาเห็นอย่างรู้จริงไม่ใช่เดาไม่ใช่สมมุติเอาไม่ใช่คณีคํานวณเอาพ้นวิจิกิจฉาด้วยเพราะฉะนั้นองค์สามนี่สังโยชน์สามเนี่ยส ก, กายทิฐิก็คือตัวการตัวการอะไรอะกิเลสเรื่องราวอะไรของคุณนะ่ะคุณจัดการกับมันสั ก, กายะเสร็จแล้วก็มีศีลมีพจนมีขีดเขตมีวิธีการแล้วก็มีตะบะมีพจนแล้วบําเพ็ญประพฤติศินนี่คือหลักเกณฑ์พรน์นี่คือการปฏิบัติจริงๆ ประพฤติจริงๆเพราะฉะนั้นตามหลักเกณฑ์นี้แล้วก็ประพฤติจริงๆจนไม่ใช่สักแต่ว่าทําไปเล่นๆหัวๆจับๆจดๆลองๆแรงๆเรียงๆลบๆอยู่งั้นไม่ใช่เท่านั้นมีมัสมีผลอย่างรู้ชัดพ้วิจิกิจฉาไม่ใช่เอ้เราปฏิบัติไปนี่มันได้เรื่องหรือเปล่าว่ามันไม่เจริญขึ้นหรือว่ามันเจริญอุ้ยเป็นงงๆ เป็นเบลอๆไม่ชัดอันนี้ไม่พดอันนี้ยังวิจิกิจฉาอยู่แต่ถ้าไม่งงไม่เบลอชัดได้ได้ได้อาจจะรู้ว่าได้โดยที่เร า, าไม่แจมเจ้าไม่ชัดร้อยเปซก็ท่างก็ยังดีก็ยังมียารู้ว่าได้ได้ได้น่ะได้เพราะโสดาบันเนี่ยก็คงจะไม่เจอ แจมแจ๋วยานเป๊ะอย่างที่หยิบมาพูดอย่างอาตมาพูดได้เป็นชิ้นเป็นอนานามารำมาปั้นเป็นตัวให้เอคุณฟังเนี่ยมันก็คงจะไม่แจ่มแจ๋วอย่างนั้นนะนะแต่ก็มียานบอกตัวเราเองว่าเรารู้ว่ากิเลสคืออย่างนี้หรือว่าความต่ําสักกายะเป็นอย่างนี้ความไม่ดีเป็นอย่างนี้แล้วเราก็ บ, บำเพ็ญ ป, ป, ป, ประพฤติตามหลักตามวิธีของเรานี่แหละเออได้ได้ผลได้ผลนะโอ้อย่างนี้ได้ผลดีกว่าอย่างนี้ผลยังไม่ดีเท่าอะไรก็จะเข้าใจเห็นชัดพ้นวิกิติช้า ไม่ใช่แบ บ, บ, บเบลอๆมันเป็นยังไงก็ไม่รู้เรื่องว่าได้ไม่ได้ก็ไม่รู้เรื่อ ง, ม, ม, องมันจะมีญาณญาณจะต้องเกิดปัญญาหรือว่าอธิปัญญานี่จะต้องมีอ่านจิตได้อ่านกิเลสในจิตได้จิตเจตสิกรูปที่ผ่านมีญาณในปรมัตสัจจ์ปรมัต ธ, ธรรมแน่นอนนะเพราะงั้นในการตรวจสังโยชนนี้สังโยชน์สามเป็นหลักสังโยชน์ข้ออื่นๆก็ เป็นตัวขยายจริงๆ จ, จังๆเลยนะเพราะงั้นโสดาบันก็ดีส ก, กิทาคามีก็ดีอนาคามีก็ดีสังโยศาเหมือนกันทั้งนั้นแหละแต่สภาพต่างกันไปแล้วสูงกว่ากันคู่ต่อสู้สูงขึ้นแชมป์ตัวสำคัญขึ้นที่จะเราจะเป็นแชมป์เนี่ยต้องต่อสู้กับไอ้คู่ต่อสู้ที่สำคัญขึ้นไปเรื่อย ๆ, ๆ, ๆ, ๆเป็นลำดับลำดับเรื่อยๆ เพราะฉะนั้นแม้บอกว่าสังโยชน์อีกสองคือการมราคะก็ตรวจปฏิฆะนะการมราคะสังโยชน์ปฏิฆะสังโยชน์อีกสองนี่จะเป็นอโอรัมภาคียะสังโยชน์สังโยชน์เบื้องต่ํห้านี่เราก็จะตรวจการตรวจพบตรวจการตรวจพบตรวจการกับพยาบาทนั่นแหละไม่ใช่อื่นรอกเพรยงการกับพยาบาทในตัวใหญ่ขนาดไหนตัวยักษ์ขนาดไหนตัวหยาบขนาดไห น, ต, น, นตัวชัดขนาดไหนคนก็จะทำํำจกระทั้ง สุดท้ายเหลือมันจะรู้มันจะมียารูแลว่าโอ้ยไอ้กามนี่มันจะมีกระดุกกระดิกเป็นรูปราคะอรูปราคะก็ชัดแล้ว จ้งมันก็ไม่เกิดมีฮิริมีโอตปะเพียงพอจะรู้ว่าการมราคาันในสกทาคามีก็จะลดพวกเนี้ไปเรื่อยๆเราก็จะมีความเห็นความจริงความแตกต่างจะมียานรู้ในสังโยชน์พวกนี้ระดับขึ้นไปจริงๆว่าไอเรื่องกามเรื่องแข่เรื่องผู้หญิงผู้ชายเนี่ยเพราะงั้นมาบวชเป็นพระแล้วนี่นะถือว่าอนาคามีเป็นสมุติสมุดมานี่ยเป็นสมมุติเป็นอนาคามีแล้วเนี่อนาคาริกระบุคคลผู้ไม่มีบ้านช่องเรือนชันรับสริงคาร ไม่มีคู่ไม่มีเมทุน ญ, ญาติปริวัติตังไม่สร้างญาติสร้างญาติก็คือสร้างเชื้อพลูกลูกเต่าๆนี่แหละไม่มีอาการพราะสัจจะมันก็แค่นั้นและผู้หญิงผู้ชายก็แค่สมสู่สืพันธุ์เพื่อที่จะให้เกิดเชื้อต่อไม่มีอาการอย่างนี้ไม่ทําไม่ความอยากจะเสพในทางเมทุนทำเสพสมสูรเนี่ยเพศสัมพันธ์เนี่ยมันจะมีอารมณ์อย่างไรก็บางทีนี่จับมันไม่ติดเลยนะ จำมันไม่ติดหรอกแต่มันก็อยังมีลักษณะรูปราคะรูปราคะามีลักษณะมันคุณจะมียานค่อยๆอ่านมันน้อยแต่มันไม่มีความกดดันมันไม่มีความลําบากเลยยิ่งกาชา็ชาฌานฌานนี่ก็คือความทนได้โดยไม่ยากทนได้โดยไม่ไดัไม่ลําบากหรอกโดยได้โดยง่ายชานนี่เข้าลักษณะฌานนี่หมายความว่าเป็นผู้ที่ได้โดยง่ายได้โดยไม่ยากใน ฌานทั้งสีนี่หมายความว่ามันสงบอยู่ได้สงบได้โดยที่มันแต่ยังไม่ถึงวิมุติฌานยังไม่ถึงวิมุตนะเพ่งเผาเผาอย่างละเอียดหรือไม่ละเอียดก็แล้วแต่ถ้าวิมุตก็คือเผาสิ้นสุดไม่เหลือวิมุตเนี่คือเผาสิ้นสุดไม่เหลือแต่ฌานนี่ยังถ้าฌานสงบ ชาที่เพ่งเผามีจิตสงบก็คือมันสงบคุมได้อยู่ได้เพราะฉะนั้นคุณยังคุมมากอยู่ก็แสดงว่าคุณยังเป็นชาที่ยังแค่ระดับชาหนึ่งโอ้โหยังวิตกวิจารณยังควบยังคุมยังต้ดับปิติตรองตองไป ต, ตรวจสอบจนกว่าวิตกวิจารณนี้จะอ่อนแรงลงไม่ต้องคุมมากมักก็เรียกว่าจะเจริญขึ้นมาเออได้ดีขึ้นเรียกว่าปีติจนขนาด ท, ที่ว่าได้ดีขึ้นมาขณะนี้ดีไปกว่านั้นอีกจึงเข้าขั้นสงบ ก็ขั้นสุขที่สงบ จ, จึงเรียกว่าสุขละตอนนี้ไม่เดือดร้อนละแต่มันก็ยังไม่หมดทีเดียวจะต้องไล่เขาไปหาอุเบกขาเพราะฉะนั้นเมื่อเรื่องเขาฌานสาเนี่ยท่านถึงเรียกว่าเริ่มต้นมีอุเบกขามันเฉยมันวางมันปรงมันนิ่งนะสะอาดในระดับหนึ่งแล้วเพราะฉะนั้นคุณธรรมของอุเบกขาปริสุทธาประโยชาตานี่จะเห็นประโยชาตาก็คือ เมือนน้ากับใบบอลจะอยู่ด้วยกันนี่แหละแต่ก็จะรู้ว่ามันเฉยลงไปจริงหรือไม่หรือไม่หรือไม่เพราะฉะนั้นยิ่งมีมุทุธาตมีกรรมมัญญะมีกิจการงานการงานอะไรอื่นเกี่ยวข้องกับกัารเป็นการที่จริงไม่คลุกคลีไม่ใช่กับคลุกคลีแต่กิเลสไม่คลุกคลีคลุกคลีกับเหตุปัจจัย แต่กิเลสไม่เกิดมาคลุกคลีกับเราไม่เกิดมาเกี่ยวมาเกาะกับเราได้ยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นอสังสักขะหรืออสังคณิกะเนี่ยไม่มาสร้างสวรรค์หลอกสวรรค์ลงอสังสักขะหรือไม่มาเกาะมากลุ่มอสังคณิกะไม่มาเกาะเกี่ยวที่จะเกิดตกผลึกลึกต่อเกิดเป็นตัวเป็นตนเป็นการสะสมอีกต่อไป นี่จะมียานอ่านสภาพพวกนี้ชัดขึ้นชัดขึ้นชัดขึ้นชัดขึ้นจริงๆเพราะสรุปแล้วตัวที่7นี่ก็คือรู้จักสังโยชะะนั่นไงสังโยะแกการมราคาก็ดีนี่เราอธิบายการมาราคะปฏิฆะก็ในัยยะคล้ายกันปฏิฆะยิ่งควรออกก่อนเลยควรออกก่อนเลยแต่ทำไมปฏิฆะถึงเอาไปไว้ที่สังโยชน์ที่ทําทำไมไม่เอาไว้ที่ส ท่านทีอาตมาเน้นปฏิฆากรแต่มันสลับไปสลับมาสลับไปสลับมาปฏิฆาก็คือความรำคาญใจปฏิฆามันอ่อนแล้วนะนี่มันไม่ใช่โกธนะนีปฏิฆาไม่ใช่โกธะไม่ใช่พยาบาทไม่ใช่อาคาตไม่ใช่ตัวแรงนั่นนะไม่ใช่ตัวยามนั่นนะปฏิฆานี่มันเป็นลักษณะคุมได้แต่ว่าก็รู้แล้วอุทธจักกุกจักรหรือว่าราคาญหรือว่าปฏิฆา มันเกิดอาการอย่างนี้มันเคยชอบใจจนไปหาอารติไม่ชอบใจเล็กๆน้อยๆบ้างไปเท่าไร่เท่าไรอาตมาเคยไล่ลักษณะอาการของปฏิกะสายโทสะนี่มาบ้างเคยไล่ที่ไหนแล้วไอตัวภาษาพวกนี้นะแต่กูไปอ่านอัดถึงแม่ไม่รู้ภาษากูก็ต้องอ่านความอ่อนจางความหยาบกลางละเอียดให้มันชัดอาการของมันเพมันบทบาทของมันยิ่งปฏิกาก็ขนาดก็ปฏิกะนี่บางทีนี่ปั้นสีหน้าได้คนไม่รู้ได้ แต่ถ้าเลยกับปฏิฆาแล้วออกมาแล้วหน้าตาเคี้ยวงอกอะไรนี่มันพวกโกทะพยาบาทอาคาดเขียดแค้นไอ้พวกนีาา้ไม่ต้องไปพูดกันเลยอยาาออกมาทั้งวาจาอยาาออกมาทางกายกรรมพวกนี้ไม่ต้องพูดกันเลยไอ้พวกนี้ยังไม่เป็ทางพ้นล็อกอบางทีโสดายังมีดีไม่ดีไม่ต้องใส่โสดาเลยเล่นเพียวนี่ก็ใช้แสดงอธิบาย ดวด60สิบดีกรีเพียวๆเลยเมื่อนองโซดาผสมแล้วเมาไม่รู้ตัวเลอะเทอะไม่รู้ตัวนะเพราะฉะนั้นถ้าเผื่อว่าในระดับของโซดาเนี่ยถ้าหยาบเกินไปแล้วก็เอออย่างนี้ไม่ใช่หรอกในความโทสะก็จัดจ้านล้กเกินไม่รู้จักอายยังเหมือนคนเมาอะไรกันหยาบคายตัวนี้ขนาดนี้ยังไม่รู้ตัว ตัวเองแสดงความโกรธออกมาขนาดนี้ก็ยังไม่รู้่ะแล้วดีไม่ดีกันนึกว่าตัวเองไม่โกรธ ด, ด้วยหรือเผลอปล่อยให้ตัวเองเกิดความโกรธอย่างนี้ออกมาอยู่บ่อยๆพวกนี้ยังไม่ใช่โซดาอาการออกมาทางกายทางวาจาขนาดนั้นเพราะนั้นโสดาจริงๆแล้วไม่ปล่อยออกมาหรอกเพราะลวงได้ด้วยนะโสดานี่หลงตัวได้เ อ, อควบคุมได้นะไม่ออกมาแต่ข้างในเนีกก่กักกดกักกดกักกดระเบิดตูมทีหนึงเนี่ยฟันคอเลย ไม่ธรรมดาและโกรธตัวนี้เลยฆ่าเขาตายเลยไอ้อย่างนี้ไม่ใช่โสดาเราไปฆ่าสัตว์ตายอยู่นี่โสดาได้ไงเมื่อโสดาไม่ไปทําร้ายใครถึงขั้นตายนี่ก็อธิบายซ้อนกลับย้อนไปให้ฟังมเมื่อโสดาได้แล้วกิทาขึ้นมาก็จะค่อยๆลดทั้งโ ก, การมราคะและปฏิฆาปฏิฆานี่มันก็จะยังมีตัวที่มันยังเซง็งยังเบื่อยังอะไรนี่ปฏิฆาทั้งนั้นนะอ่ะอ่ะ อุปายาสะยังอัดตัดยังไม่เสเบายไม่โปร่งไม่ว่างไม่ใสไม่สะอาดมันก็เรียกปฏิฆาทั้งนั้นนะเพราะลักษณะอะไรที่ยังเป็นการขัดขวางใจอยู่นี่ ย, ยังเป็นปฏิฆาทั้งนั้นถือว่าทุกขถือว่าทุกข์ทั้งนั้นเพราะมันจะโปร่งจะใสจะว่างจะเบาแต่กลับ ว่าการมราคะเนี่ยหรือว่าศกสนะต้องการลักษณะปรารถนาเนี่ยกลับจะใช้ต้องใช้แต่ปฏิฆานี่จะไม่ใช้แต่มันก็จะเป็นตัวทุกข์ที่จะต้องล้างไปเรื่อย ๆ, ๆยิ่งหมดเท่าไหร่สุดท้ายกามราคะก็จะมริเป็นรูปราคะอรูปราคะเหนือชั้นหมดปฏิฆาแล้วหมายความว่าหมดทุกข์เพราะฉะนั้น อ, นอนาคามีถือว่าหมดทุกข์หมดปฏิฆะแต่ยังมีตัวราคะ ราคานี้จะปรับไปเป็นวิภวะตันหาจะปรับไปเป็นความปรารถนาที่ปรารถนาไม่ใช่มาเสพให้ตนแต่เพื่อผู้อื่นตอนนี้แหละเป็นตันหาอุดมการอันนี้เราจะมีมานะจะมีอะไรซับซ้อนเป็นอุ ป, ปกเลสอัตจะมาละเมื่อเมื่อในพวกเราเนี่ยมันพูดกันไม่รู้เรื่องแต่ละคนล้วนจอมหยุดทั้งนั้น จอมยุดทั้งนั้นเลยค่ามีดีค่าได้ดีค่ะอะไรดีค่ะมีปัญญาค่ะมีความรู้ค่าถือดีถือตัวประชดประชันแดกดันท้าทีดูไม่หยาลหรอกแต่เหนื่ยอยอาตมาเหลือเกินมองเพ่งกันมันจะได้ดีจริงหรือว่าไอคนนี้เนี่ยมันหลงตัวมั้งมันเมามาั้งทำเป็นยังไงทํามายังงี้อยู่ล่ะอย่างเหตุการณ์ที่เกิดมาเกิดใหม่ๆ ท่านมนาโปาถ้าถือท่านมนาโปนี่ว่ามองว่าท่านมนาโปนี่เสียใจมั้งนี่มาหลงตัวเองว่าดีใจเอวมาหลงว่าตัวเองน้ําตาไห ล, ลดีใจเสียใจๆๆแท้ๆมาหลอกคนอื่นเอาเถอะถ้าใครจะหลอกงั้นทางนั้นก็ต้องสงสัยอาตมาอาตมา ก, ก็เคยร้องไห้ก็เคยน้ําตาไหลถ้าใครจําได้ว่าวันอโศกราลึกปีหนึ่งปีนั้นน่ะ แต่ธรรมาไม่เหมือนกับท่านมานาโปเพราะว่าท่านมานาโปนะท่านมีมีจิตที่รู้จิตตัวเองขึ้นมารู้จิตตัวเองขึ้นมาและอ่านได้ว่าโอ้มันโลกมันโปร่งมันดีอย่างนี้แล้วมันก็เกี่ยวข้องแล้วมันก็เป็นงานแล้วมันก็เป็นเรื่องของมนุษยชาติเป็นเรื่องของความดีงามจิตที่ร้องไห้ารรมาสอบทานดูแล้วจิตที่น้าตาไหลนั้นก็เป็นจิตที่ เห็นใจอาตมาสงสารอาตมาว่าโอ้ทางานเหน็ดเหนื่อยเหลือเกินช่วยผีพวกนี้ไม่ได้แล้วตัวเองก็เท่านี้นะตัวเองก็ช่วยไม่ได้โอ้มันมันน่าเศร้าสลดสงสารอาตมาก็สงสารว่ามดูสิเหน็ดเหนื่อยไปเหมือนซอนเปล่ามันมันก็ประทับใจมันก็ตื่นตันใจมันก็อะไรไอ้ตัวตื่นตันใจเนี่ยมันเป็นตัวปีติมันเป็นตัวที่ มันมีแทกสงสารอยู่ในตัวเวทนาสงสารสรงสารอาตมาสงสารตัวเองก็เท่านี้นะตัวเองก็ช่วยผู้อื่นไม่ได้เลยเลยช่วยผู้อื่นก็ฝีมือไม่ทอดอาตมาอยู่แล้วก็เห็นพวกเราดิโอ้มันน่าจะได้ช่วยได้ทําไมนาะจะต้องทําความเลวจะต้องอทะเลาะวิวาทจะต้องเพ่งโทษจะต้องคนนั้นคนนี้มันไม่ไม่ใช่ความเลวร้ายมันไม่ได้ไปเพ่งโทษคนอื่นนะแต่มันสังเวชตนเอง หรือว่าเห็นใจผู้อื่นสงสารพวกเราทำไมพวกเราถึงจึงอยู่ไพบอยู่อย่างนี้มืดดาเหมือนหนอนกินขี้อยู่ไม่รู้จะขึ้นมาก็สงสารมันไม่ได้ดูถูกดูแคลนนะกัดกันดีไม่ดีมากัดเราด้วยหันมากัดเราอีกด้ว ย, ยทำไมนะอะไรพวกนี้ซึ่งมันเป็นภาวะที่เป็นจิตที่ดีและมันก็หลายหลายอย่างมันบอกไม่ได้หรอก เนีพราะงั้นสภาพธรรมพวกนี้เนี่ยแต่ที่อาตมาเป็นอาตมาไม่ได้เป็นอย่างนี้ที่อาตมาน้าตาไหลมันคนละตัวคนละอย่างคนระดับคนละอันที่อาตมาน้ําตาไหลคราวนู้นอาตมาบอกได้นะอธิบายได้คืออธิบายมาแล้วที่อาตมาเทศนะอาตมาก็เทศน์ในจิตใจแล้วพวกเราก็มากันหม่อโสมลำึกแต่ก่อนที่มากันเยอะนะเดี๋ยวฮะที่สติอโสมที่สติอโศมแล้วก็มากันเยอะนะ มาเป็นมวลเป็นความจริงอาตมาก็เทศก ร, รยายแล้วก็เห็นใจเห็นเข้าใจว่าโอ้สัจจะพระพุทธเจ้าเกิดแล้วหนอสัจจะท่านเกิดแล้วหนออาตมาเหมือนลูกพระพุทธเจ้าแล้วก็มาสร้างสมบัติมารับหน้าที่เพื่อที่จะสืบทอดบริษัทดาเนินกิจการของบริษัทนี้ไปให้ได้อ่าแข็งแรงมันก็มีของปรากฏ มันตื้นตันใจที่ว่าเรารับหน้าที่มาทำสำเร็จแล้วนะไปรอดใช้ได้เกิดมีคนเกิดมีอริยะเกิดมีลูกมีหลานเกิดมีผู้สืบทอดมีผลสำเร็จมันก็ตื้นตันใจมันก็เหมือนได้คาระวะพระพุทธเจ้าตอนนั้นรายงานตอนนั้นคล้ายๆอย่างนั้นเลยนะ เสือาตมาพูดแล้วมันก็ไม่อยากพูดเท่าไรหรอกพูดแล้วพวกคุณจะ เ, ะเะฟ้อเฟอฝันฝันปเดี๋ยวก็ไปนั่งสร้างมโนมยิฐมโนมยัตมมยตาเล่นลิเกอะไรไม่เขาเรื่องพเพรื่องพวกนี้มันเล่นลิเกง่ายแล้วมันก็ฝันเพ้อได้ระบาดไม่เขาเรื่องแต่มันก็เห็นความจริงมันก็เท่ากับเราเนี่มได้กราบแทบเท้าพระพุทธเจ้าแล้วก็รายงานความจริงอันนี้ ตื่นตันใจปิติยินดีมันไม่ได้มีความสงสารไหมไม่มีความเพ้อแต่ของธรรมนาโปลจะมีความพ้อในตัวจะมีความสงสารจะมีความอะไรอะไรอีกเยอะมันอะไรไรหลายอย่างอ่ะมันมันเยอะกว่าอาตมาแต่อาตมาเนี่มันละเอียดหรือมันสะอาดขึ้นกว่ากันมันสูงมันอะไรต่างที่อาตมาเล่าให้ฟังเนี่ยมันต่างกันเพราะความตื่นตันใจพวกนี้มันเป็นได้ ถ้ามันเกิดจริงเป็นจริงแล้วมันห้ามไม่อยู่หรอกคุณแค่ดูหนังเนี่ยน่ยอัดพลังกุศลตื่นตันใจในะอะไรต่ออะไรนี่คุณจะสังเกตได้ว่าเฮ้ยพราะเราเนี่ยทำไมมันน้ำตาตื่นจังเลยนะเพราออกนะเป็นจะยิ่งขี้แยลงทุกทีน่าจะรู้ตัวว่ายยิ่งขี้แยลงทีแต่ไม่ใช่หมายความว่าโศกเศร้าเสียใจแต่จะรู้สึกประทับใจตื่นตันในสิ่งที่ดีนี่มันทําให้น้ำรน้ำตาไหลได้ไวได้เก่ง สิ่งทุกๆชั่วหยาบหยาเรื่องกามเรื่องอพยาบาทหนักๆอย่างโน้น อ, อย่างนี้จะแรงจะหยาบจะยังไงเอ้ยไม่ได้สงสารมันหรอกไม่ได้ไปมีน้ําตาไหลให้แกมันหรอกแต่้เรื่องคุณค่าความดีงามยิ่งบางทีนิดๆหน่อยๆแค่นั้นแค่แม้แต่เขากระตันอยูก่กรตเวทีสมนึกคุณแค่นี้ ม, มันซาบซึ้งมันประทับใจมตื้นตันน้ําตาไหลกลั้นไม่อยู่เป็นได้เนี่ยสะสมไปคุณลักษณะ พลังกุศลพวกนี้มันจะทําให้เรามีพลังในการสร้างคุณงามความดีจะเกิด อ, อกุศลมาจะ่ขอภายอากุศลนะจะเกิดกุศลธรรมที่มันจะยิ่งอยากจะสร้างกุศลธรรมหรือว่าจะทําให้เรามันกลับกันนะเห็นอกุศลที่ชัดแล้วจะมีกุศลที่ทับทวีเสริมหนุนซ้อนกันไปเรื่อย ๆ, ๆ, ๆ, ๆ, ๆอเพราะงาั้นจิตวิ ญ, ญญาณที่มันมีสภาพอะไรต่ๆ พ, พวกนี้เกิดมา มันจะเป็นจริงถึงรอบถึงขั้นของแต่ละคนมันจะรู้มันจะอ่านมันจะมีญาณปัญญามันจะมีสภาวะนั้นเกิดให้เราได้ทราบซึ้งจะเป็นแสงสว่างจะเป็นความรู้จะเป็นความเข้าใจอะไรมันบอกเป็นภาษาไม่ได้เป็นอจินไตยมันจะเป็นสภาพทำอันนึงที่เกิดที่พูดไปแล้วเนี่ยมันก็เป็นสภาพลวงได้สาหรับคนบางคนก็ไปปั้นเอานึกเอาไม่ต้องไปปั้นหรอกปฏิบัติทำไปถึงขั้นถึงขีดมันจะรู้สึกเอง แล้วมันจะรู้สึกเนี่ยเรามันปั้นในตัวบางทีก็จะรู้สึกเองแล้วจะหลงเพออ่าที่จริงไม่อยากพูดพูดไปแล้วเหมือนกับชี้พลงให้กระรอกไปสร้างอุปทานเสร็จแล้วเอาอุปทานมาหลอกตัวเองอันนี้อัตมาก็บอกเตือนเอาไว้นะเตือนเอาไว้อย่าไปมีอุปทานเพราะฉะนั้นถ้าเผื่อว่าเราเข้าใจสิ่งเหล่านี้แล้วอย่าพึ่งไปดูถูกดูแคลนอย่าพึ่งไปมินยามบางคนจะมีอะไรเหมือนบ้าๆบอๆแล้วคนนี้อธิบายของตัวเองไม่ออกเหมือนกันแต่มันมีอะไรสภาวธรรมเกิด ก็อย่าเพิ่งไปดูถูกดูแคลงกันก่อนแต่ทีนี้แหละไอ้โจร น, นี่ยมันคีมากจะทำเป็นเหมือนกับมีสภาพทำพวกนี้เสร็จแล้วก็มาหลอกผู้อื่นอันนี้ก็เราวัดระวังเพราะฉนั้นเมื่อพูดขึ้นมาคราวนี้แล้วเนี่ยเดี๋ยวถ้ามีผีเกิดอาตมาจะต้องเอามีดหมอมาไว้มากๆจะต้องชะผีสำคัญเลยเนี่ยคือพูดแล้วมันก็จะเกิดถ้าไม่พูดซะมันก็จะมีลักษณะจริงขึ้นมาม า, มากมันจะมีลักษณะไม่มีผี เพราะทีจริงไม่อยากพูดแต่ถึงนี้ถึงภาวะต้องพูดก็เลยอธิบายสู่ฟังนะข้อสำคัญให้ตามหลักที่อาตมาเอาธรรมะหลักธรรมวิจารณ์มามาอธิบายฟังเนี่ยเอาไว้ตรวจสอบจริงๆเพราะฉะนั้นข้อที่8เมื่อคุณข้อที่เจดแล้วของการตรวจอรหัตผลจะแม่อรหัตผลในโสดาก็ตามอย่างที่อธิบายซอนแล้วมันก็จะมีสภาวะจะต้งเหมือนกัน อรหัตผลในโซดาในเหตุปัจจัยหนึ่งบุหรี่ตัวหนึ่งเหล้าหรืออะไรก็แล้วแต่หรือเครื่องสําอางของนั้นของนี้เพชรเพชรพลอยๆอะไรของใครก็แล้วแต่ผู้หญิงเนี่ยนะมีอะไรที่เราผูกมัดรัดตึงแล้วก็ไม่ปล่อยไม่วางหรือแม้แต่คู่เมถุนอั น, นี้เป็นคู่รักคู่เมถุนเป็นคู่บา ร, รมีมาค่าชาติไหนก็นแล้วแต่ก็ในยติเดียวกันโอ้หนักเข้ากลางๆงวางไปจนกระทั่งมาถึงขั้นไล่ตามสังโยชน์ข้อที่7นี่ก็ไล่ได้ นาการมราคะปฏิคโจกระทั่งรูปราคะเราก็จะเข้าใจว่าไม่มีอรูปราคะก็ยิ่งมีอาการราคะที่จะมีเยื่อมีใ ย, ยอะไรกันนี่ก็จะไม่เหลือและจะไม่มีมานะถ้าเผือว่ามีมานะก็หมายความว่าถือดีกับสิ่งที่เป็นเหตุปัจจัยถ้าเป็นวัตถุก็คือวัตถุเพชรพลอยบุหรี่อะไรก็กตาม จะมีการขม่มการถือดีถือตัวถ้าเป็นคู่บา ร, รมีคู่ผู้หญิงผู้ชายผู้หญิงก็จะเป็นเหนือผู้ชายคนนั้นเขาจะสอนเขาจะเบ่งเขาจะอะไรเขาจะอยากให้เขาดีมากอยากให้เขามาเป็นอย่างเราบักก็เป็นกิเลสมาณนะเหมือนกัน เพราะจะไม่อยากมากเกินไปแต่ก็จะรู้ว่าควรแค่ไหนไม่ควรแค่ไหนที่จะช่วยกันถ้าจะเป็นคนนะถ้าไม่เป็นคนก็เออชัดแล้วอันนี้อันไหนไม่ได้คุณค่าของมันเพชรเป็นคุณค่าจะเอาไปเผาไฟทิ้งเฉยเฉมันก็แค่เผาไฟทิ้งแต่ถ้าเพื่อเผาไฟทิ้งเอาไปเผาเพื่อที่จะเกิดปัญญาหรือว่าเกิดผลประโยชน์มากกว่านี้เราก็จะเผาอ่าเหมือนกับเขาเขาเอาเฮโร อ, อีนมาเผาทําลายนี่นะที่จริงว่าไปเผาทําไม้เฮโร อ, อีนนี่ก็เอาไปขายให้ ประเทศอื่นโอ้โหเขาก็ใช้อยู่เนี่ยคนห่อไปขายกันเป็นไม่รู้กี่ล้านบาทจะไปเผาทิ้งทำไมก็ได้หรือไม่งั้นก็เอาไว้ใช้ประโยชน์หเป็นยาเ ป, นยเป็นนู่นเป็นนี่เข้าก็เสยียแต่มันเผาดีแหละดีแล้วทำพิธีด้วยเพื่อที่จะขม่มริ ป, ปูเพื่อที่จะใช้อะไรนี่ก็ทำได้อย่างนี้เป็นตน้นมันก็เป็นหลายๆใน มันก็เราจะอ่านรู้ในสภาวะจนกระทั่งถึงรูปราคารูปราคาแม่มานะก็ไม่เกิดอาการจนกระทั่งมีตัวฟูฟูๆเดี๋ยวเอาทวีจัสังยุท์ที่ก้าวแล้วสังยุทธ์ที่กาวแล้วนี่มันมีฟูฟูนินินหน่อยน้อยจนกระทั่งมัไมไม่มีทุกข์อะไรหรอกแต่เราก็ยังเห็นมันเออยังมีนี่มีเงาลังๆนี่นี่เป็นอวิมุตจรอวิมุตจออวิมุต สุดท้ายเอาวิมุติจรอหรืออาวิมุตสุดท้ายลางๆเรื่อนๆหมายความว่าวันยังเหมือนกับยิ่งกว่าเงายิ่งกว่าอะไรอีกนะมันมันไม่มืดหรอมันจะมันก็จะอยู่ดูยากเหมือนกันสําหรับคนไม่มียานแต่คนที่มียานก็จะอ่านออกว่าโอ้โหไอ้นี่มันแค่อุเัจรไม่มีฤทธแรงเท่ารูป ร, ราคะอรูป ร, ราคะด้วย ไม่ว่าจะเงาในทางราคะหรือเงาในทางโทสะมานะนี่อยู่ในสายโทสะนะรูปราคาอรูปราคาในสายราคะมานะนี่อยู่ในสายโทสะเพราะนะานั้อุทจจสังโยนี่ก็คือตัวที่เหลือของส่วนพวกนี้แหละอรูปราคะกับส่วนเศษคมามานะนี่แหละเป็นอุทธจจซึ่งไม่มีฤทธิ์มีแรงไปทําอะไรเราหรอกนะแต่มันก็ไม่สะอาดบริสุทธิ์อยู่นั่นเอง เพราะฉะนั้นจะต้องมียานล้างส่วนเหลือนี่แหละอุจจจะจะต้องล้างส่วนเหลือนี้ให้สมบูรณ์สะอาด น, นี่เป็นความหมายในระดับอรหัตผลจะมียานอย่างนี้ทีนี้ถ้าโสดาบัลเราจะไม่ค่อยชัดเท่านี้หรอกที่อาตมาอธิบายฟังนี่เป็นความรู้ของอาตมาอธิบายเพราะเราเป็นโสดาบัล น, นี่ก็จะค่อยๆ อ, อ่านสภาวะไปเถอะ มันมีจริงมันลดลงได้จริงมีคุณธรรมจริงมีภูมิจริงมันก็จะลดจ ะ, ะจางตายออกไปออกไปออกไปนะเพราะฉะนั้นในหมู่พวกเรานี่เป็นอริยะจริงนะสุดท้ายก็8เขาบอกข้อ8ของอรหัตอรหัตผลหรือว่าคุณธรรมของพระอรหันต์ก่อนข้อ8ก็คือเป็นผู้หลุดพ้นแล้วโดยโด ย, โดยรู้ชอบรู้โดยชอบรู้โดยสมบูรณ์แบบนะเป็นผู้หลุดพ้นด้วยความรู้รอบ ความรู้จริงหมดสัมมาทัญญาวิมุตตะสัมมาทัญญาวิมุตตะทัญญากระทอ ท, อทอหารแม่นาคาอยอยิงสองตัวสระานีสัมมาก็สัมมานี่แหละสามันหรือสามสามันหรือสัสมัมมานี่อันเดียวกันสอทำเขียนอย่างไทยสอม่นาคาหมอม้าสองตัวนี่แหละสัมมาทัญญาวิมุตตะ วิมุตต์ก็คือหมายคำว่ารู้วิมุตต์อย่างสมะอย่างชอบอย่างดีทัญญาเป็น ว, ว่าความรู้รู้รอบทันทัญาทั ญ, ท ญ, ญาเนี่ยเป็นว่ารู้ยิ่งรู้จริงหมดโง่หม ด, หมดอวิชชาสังโยชน์นั่นเองหมดอวิชชาสังโยชน์แล้วเป็นผู้รู้โดยรอบรู้โดยชอบรู้โดยจริงโดยโดูสภาวะที่แท้จริงเป็นหลักสุดท้ายเลยเป็นวิมววมุตติยานทัศนะหรือตัวสุดท้าย ญาทณทัศนะเห็นวิมุตต์เห็นสิ่งที่หมดที่แจ้งเป็นวิมุตต์ที่จริงสุดท้ายนี่เป็นญาณสุดท้ายตัดสินอรหัตผลนะพราะมพวกเรานี่มาปฏิบัติแล้วถ้าเกิดทั้งสภาวะลดละได้จริงแล้วก็มีญาณมีญาณปัญญาเองรู้เองเห็นเองเป็นปัจจิตตังเวทิตโภวิญญูเหตุของแต่ละคนจริง คนเหล่านี้ก็จะเป็นคนชนิดเดียวกันภูมิเดียวกันมารวมกันอยู่เข้าใจไปในทางเดียวกันยิ่งกิเลสลดลงตามลาดับลาดับไม่ทะเลาะวิวาทกันไม่ขัดไม่แย้งกันหรือแม้ขัดแย้งก็รู้ตัวใครสำนึกได้ระมัดระวังตัวพยายามมองตนอ่านตน เข้าใจในตนไม่ใช่ไปเพ่งโทษผู้อื่นหรือมียานรู้ผู้อื่นว่าโอ้ผู้นี้สูงจริงผู้นี้เจริญจริงผู้นี้ก็มานะลดแต่ท่านก็สงสัยไว้ก่อนก็ได้อย่าไปเชื่อใดๆเชื่อตามกันมากเกินไปนักแต่ก็เป็นแต่เพียงข้อสังเกตอย่าพึ่งไปคิดว่าไปตู่กันถ้าคนอย่างพวกเราที่เป็นคนที่ละลดแล้วก็ทําความจริงเนี่ยเราก็ไม่เชื่อน้ําใจกันดีไม่ดีก็มาดุดถูกดูแคลนกันแล้วมันจะเหลือกันเหรอ แลวพวกเราเนี่เป็นพวกที่ได้ภาคเพียนศึกษาคนคว้าไม่ว่าคุณจ ะ, จะไม่ได้เรียนหนังสือจบป .4 คนจะมาจากไร่จากนามาจากรูจากเรียวมาจากเถื่อนจากดอนอะไรก็แล้วแต่หรือจะมาจากหอคอยงาช้างมาจากเวียงจากวังลูกเจ้าล้านเจ็คอะไรมาก็ตามใจเถอะไม่เอาสิ่งเหล่านั้นเป็นตัว พิสูจน์เป็นตัวยืนยันต้องมองลึกๆถึงเนื้อแท้กันให้ดีๆสรุปแล้วเราควรมองกันและกันให้ดีว่าคนอย่างพวกเราเนี่ยที่จะเข้ามาอยู่ได้ทนทานกันอยู่ได้ถึงปีสองปีห้าปี8ป ป, ปีแล้วก็มีไม่มีอะไรเลวร้ายเนี่ยนะมันไม่ได้หาได้ง่ายๆนะ อยู่ไปแล้วเขาก็ไม่ละลาบแล้วล้วงเขาก็ไม่ได้เลวต่ำเขาก็ไม่ได้มีข้อบอกพร่องอะไรที่จะไปติไปเตียนเขาได้เลยนะโดยเฉพาะเอาละเอาแต่แค่ขั้นหยาบขั้นอบายามุกขั้นหยาที่เราขีดสัดส่วนเอาไว้แล้วในระดับศีล5้าเขาเอาศีลห้ามาจับมาวัดเขาก็เหนือกว่าศีลหศีลหไม่ใช่ทางตที่เราอยู่วัดเนี่ยเราถือศีลแเป็นหลักอย่างต่ําก็ตาม ศีลห้าเขาก็ไม่ดูเกะ ก, กะระรานอะไรนี่นาะเรื่องกลามเขาก็ไม่ได้จัดจ้านอะไรมันก็อาจจะเกิดจะมีบ้างแต่เขาก็ไม่หยาบเขาก็ไม่ได้มาทําอะไรเขาก็มีการสังวระระลึกรู้แล้วก็ตั้งใจลดละมันเกิดมันก็พยายามจนกระทั่งเขาก็สุดท้ายก็ผ่านพ้นไปซึ่งมีเพื่อนเราหลายผู้หลายคนผู้ใดเขากดข่มได้เขาไม่แสดงออกไม่มีไม่อะไรกระวังเถอะคนกดข่มนะไประเบิดเอาทีหลังแล้วกระตีลังกาลากจูงกันไปก็ให้ระมัดระวัง ก็มีนี่ลากจูงกันออกไปดีไม่ดีก็ละเมิดในนี้ก็ทายาบคายถึงระดับถึงขั้นก็บอกแล้วนะในนี้แม้แต่คารวาสในนี้มาอยู่ในนี้ถ้าเกิดการละเมิดผิดผีกันในขั้นสมสูรไล่ออกมาทํากันอยู่ในนี้ไล่ออกไม่เอาอยู่ในภาวะอยู่ในนี้กันแล้วไม่เอาส่วนพระก็ตกปราชิกแน่นอนถ้าคืนมาละเมิดไม่เลี้ยงไม่เอาไว้เพราะว่าความ หยาบต่ำแค่อดไม่ได้แค่สมสูนีย่ยังจะมาปฏิบัติอะไรยากเพราะฉะนั้นถ้าเผื่อว่ามีหลักเกณฑ์ตั้งใจแล้วว่าเราจะถือศีลแปดก็ต้องทนให้ได้แต่ทนไม่ได้อย่าอย่าริอ่านมาถือศีลแปดถือศีลห้ามอถือศีลห้าก็เป็นคนวัดไม่ดีหรอกก็ไปไปมาศีลห้า ยังแค่ผู้หญิงผู้ชายแค่คู่เท่านี้ยังสงวระวังไม่ได้ยังระหยาบแสดงหยาบระราบระลงออกทางกายใจก็เอาละใจมันเป็นได้อาการมันยังมีกามมีราคะอยู่ในใจมันเป็นได้แต่คุณก็ควบคุมได้ไม่หยาบคายออกมาข้างนอกเราถึงขั้นมาแหมมันมันเกินอ่ะมันเอาหลักสังฆาทิเสษของพระพุทธเจ้ามาจิตมีกามจนอดไม่ได้ทนไม่ได้ต้องแต่เนื้อต้องตัว นี่ก็สังขาทรทเศษแล้วจิตมีกามต้องกายหญิงหรือต้องกายคู่ผู้ชายก็ผู้หญิงก็ตามหรือจิตมีกามแนี่พูดและเล็มเลียเขียนพูดออกมาเชิงกามนั่นแหละจนัยะอะไรแต่เราจะรู้ตัวว่าไอ้อยางนี้เราพูดเชิงกามอ่าจะจีบจะเคาะจะแคะจะออกมาแล้วเป็นตาวาจาแล้วมันหยามาออกมาไกลก ร, รมกับวาจาแต่แล้วก็จิตมีกา ม, มนี่แหละจิตตัวกามนี่แหละมันทําให้ตัวเราพูดอย่างนี้ ทำกายอย่างนี้กายกรรมอย่างนี้เพราะฉนั้นถ้าตัดเลยแม้แต่ไปแตะกายหญิงมีการมแตะกายหญิงถือเป็นสังคารทิเศตมีกาม้ก็ยังไปพูดข้อพูดพาดมีพูดไปในเชิงเมีทุนเชิงกามเชิงราคะนี่แหละเกี่ยวพาราศีอะไรก็ตามใจสังคาทิเศตทั้งนั้นแค่นี้คุ้มไม่ได้อย่ามาบวชเอาลาเป็นคารวะาอาจจะมีได้ไม่ได้ใช้ หลักถึงขั้นนี้มันแรงมันหนักนะสังฆาริเศสนี่ต้องอยู่กรรมนี่นก็เป็นระบบวิธีของพระพุทธเจ้าท่านตั้งไว้แต่เป็นคารวะก็ไม่ถึงขนาดสังฆาริเศสนะเพราะฉะนั้นอยู่วัดอยู่วาก็ต้องถือศีลแปดจะพูดข้อพูดอะไรแต่ใดกันก็ระมัดระวังกามก็อย่าพึ่งอาจจะแตะเนื้อต้องตัวถูกตัวกันบ้างก็ต้องสังวรจริงๆถ้าใครพยายามยืนยันหลักการของพระพุทธเจ้าเออเราอย่าพยายาม ท, ทําทีแม้ ลูกตีกินทเป็นแตะอังทำเป็นน่นเป็นนี่นั่นก็คือกิเลสมันนั่นแหละมันฉลาดฉลาดหาทางเสพแตะอังเล่นหมาหยอกไก่อะไรก็ตามใจหัดสังวรระวังหัดสังวรระวังนะเพราะถ้าผู้ใดเข้าใจในความหมายที่พุทธเจ้าทันาพาเป็นแล้วเนี่ยมันก็จะเจริญมันสู้ได้ ถ้าสู้ไม่ได้พระพุทธเจ้าท่านไม่เอามาให้เราปฏิบัติหรอกไม่ใช่ว่าของนี้นี่ทําไม่ได้หรอกโอ้ไม่มีหรอกอย่างตะวันตกเขาบอกว่าเรื่องกามมนจะไปหมดได้ยังไงเขาไม่เรียนรู้หรอกเขาไม่เข้าใจมันมีทางหรอกเพียงงั้นคนก็หมดโลกสิโอ้ยคนจะได้เป็นอริยมันไม่ใช่ทั้งโลกเมืไหรเราพระพุทธเจ้าอยู่หองค์พร้อมกันแต่ตมาก็ไม่เชื่อว่าทําได้พระพุทธเจ้าอยู่ห้าองค์พร้อมกันเลยก็ไม่สามารถ ที่จะทำให้มันหมดราคามันหมดกามันหมดการสมสู่มันหมดการสื่อพันุผู้นี้ออกไม่ได้เพราะฉะนั้นมันได้คนที่มีภูมาทําเท่านั้นที่จะเป็นได้เพราะในันรยงมาถามเออสอนอย่างนี้ไปรเดี๋ยวคนก็หมดโลกสิเออไม่มาสื่พันุ์อย่างนี้หมดก็ศูพันุที่บอกโถเอยสิ่งที่เป็นไปได้เอามาพูดอย่างนี้เนี่ยอย่าไปขายคิดเถอะเขาเอาสิ่งที่เป็นไปได้เป็นไปไม่ได้มาถามแสดงว่าคนนี้ไม่มีภูมิ ความเป็นไปไม่ได้คือความเป็นไปไม่ได้เวณนยสัตว์คือเวณนยสัตว์อะเวณยสัตว์ที่สอนไม่รู้เรื่องที่ไม่มาฟังเลยเนี่ยมันมีอีกต้องไม่รู้เท่าไหร่ยิ่งในโลกเดี๋ยวนี้ปัจจุบันเนี่ยิ่งเยอะบางคนที่สอนได้คนที่มาภาคเพียงปฏิบัติเนี่ยไม่ต้องไปห่วงหรอกยุคนี้การนี้ไม่ได้มากเท่าไหร่หรอกนะพระพุทธเจ้านี่อยู่ในพัตตะกับองค์หลังแล้วนะ ในพัตตะกับนี้มีพระพุทธเจ้าหาพระองค์พระพุทธเจ้าในองค์ที่สี่แล้วหางเลขแล้วเพราะฉะนั้นถึงมีได้เท่า น, นี้แหละามาคารบูชาท่านกวันสองรขององค์อื่นๆมีเป็นล้านหลายล้านมาคารบูชาแล้วในชีวิตของพระพุทธเจ้าองค์ก่อนๆหลายครั้งด้วย ในชีวิตของท่านช่วงชีวิตของท่านมารับบูชาก็หลายครั้งครั้งละหลายล้านรูปนี่มารับบูชาของพระพุทธเจ้าครั้งเดียวโดเดพ50สอยอนได้ยากคนมันรู้ได้ได้ยากเป็นน้อยยิ่งอัตมาแล้วนี่ ย, ยังมาเก็บหางนี่ไม่รู้ว่าเก็บผางนี่มันรู้จะเอาไปล้างได้เท่าไหร่เลยเนี่ยนะแต่เท่าไหร่ก็ต้องเอาแต่พวกเรามี อาตมาถึงบอกว่าเอาละอาตมาไม่มีมาค่าบูชาแต่ยังไงยังไงขอเก็บได้สักเก้ารูปก็พอแล้วสำเร็จนะได้สักเก้าองค์ก็ไม่ต้องพันสองรอห้าสิบลอกนอกจากก็ได้อนาคาได้ส ก, กิทาได้โสดาได้ไปบ้างไม่ต้องอรหันต์ได้สักแค่นี้ก็รอด น, นี่เคยว่านานแล้วนะอาตมาพูดถึง9้ารูปนี่มาจากไหนมานานแล้วแต่เอาเรืมาคราวนี้ก็มาฟื้นฟูเอามาพูดมาอะไรอีกทีหนึ่งให้ฟังเสื้อธรรมาก็มั่นใจว่าพวกเราจะต้องพัฒนาขึ้นไปยังเหลือแต่ว่าเราต้องภาคเพียรเราต้องอุตสาหะวิริยะข้อสําคัญก็คือพวกเราสร้างเนื้อเนี่ให้ได้ดีดีดีดี ด, ด, ด, ดีแล้วมันจะเป็นอย่างนี้พวกเราเนี่ยแม้ว่าเราไม่ได้อย่างเขา เราก็ไม่เสียใจหรือเราก็ไม่อยากได้ไม่ได้อย่างเขาเราก็ไม่ได้อยากได้เพราะเราสันโดษเพราะเราพอข้าวมีกินดินมีเดินตะวันมีสองพี่น้องมีเศจเห็ดมีเก็บป่วยเจ็บมีคนช่วยรักษาขี่หมามีคนช่วยกวาดผ่าขาดมีคนช่วยชุนบุญกรรมเราก็ช่วยกันสร้างสรรของแต่ละคนช่วยกันกอบบวก่อบุญกันเป็นอยู่อย่างนี้จริงๆเราจะไม่ คอยหาอาวอ์อย่างข้างนอกเขาเป็นยังไงเขามียังไงลระบอกสันโดษเราพอของพวกเรานี่พอแล้วหรือแม้แต่ส่วนตัวแต่ละคนก็พอเอออย่างนี้เราเป็นอยู่สุขพอใจพอใจพอจริงจสันโดษในใจพอแล้วก็ไม่ใช่ใจพอธรรมดาอย่างหลงผิดพอสุขภาพร่างกายเราก็พองานการเราก็ได้ทำสร้างบุญสร้างกุศลมีคุณค่าประโยชน์ต่อมนุษยชาติมีบุญ มันพอนะเรารู้ว่าเราสร้างบุญเราไม่มีเงินสักบาทนี่เราได้สร้างบุญไหมเราได้ทําบุญไหมหนึ่งเราได้ไดชําระเกลเอะบุญไปว่าคุณงามความดีกับการชรําระกิเลสเรามีคุณงามความดีเรามีคุณค่าประโยชน์เรามีสร้างสรรเสียสละดูมีงานเนี่ยเราทําสัมมาอาชีพสัมมากรรมันตาสัมมาวาจาสัมมาสัางกปะอะไรของเรามีตลอดเวลา ได้สร้างสารรกรรมกิริยากายกรรมวิจีกรรมรรร ม, รรร ม, มโนกรรมพฤติกรรมสาของเราเป็นบุญเป็นกุศลอยู่ตลอดเวลาหนึ่งเป็นประโยชน์ต่อผู้อื่นสองได้ขัดเกลากิเลสเราทั้งสองด้านงานกับหมู่กลุ่มเหมือนอย่างลราโคแม่โคเลี้ยงลูกงานของเพื่อนฝูงงานชำระกิเลสมีทั้งสองอันได้ทำทำไปพร้อมกันขณะเดียวกันก็ชำระลงดูลูกขณะเดียวกันก็เล็มหญ้าไป เล็้ยหญ้าไปก็คือขัดเกลากิเลสตัวเองไปทำงานนี่แหละได้ขัดเกลากิเลสสร้างสรรค์อยู่กับหมูกับฝูงอยู่กับบริษัทยิ่งคนไหนเก่งกล้าก็กล้ า, ลาบริษัทก็ทำงานได้กว้างรอบกว้างได้มีผัดสะเป็นปัจจัยก็สู้ได้ออกจากครูได้รู้โตขึ้ น, นเรื่อยๆไปกินบริเวณกว้างได้ก็คือแม่ ง, งวที่แข็งแรงเล็มหญ้าไปก็คือได้ชำระ ก, กิเลสไป ชำเรืองดูลูกไปก็คือเลี้ยงหรือสร้างสรรค์เพื่อบุคคลอื่นชำเรืองดูลูกไปพลางเล็มหญ้าไปพลางมีประโยชน์2 ง, งานเนี่มีประโยชน์ขัดเกากิเลสมีประโยชน์สร้างสรรคุณค่าแก่ผู้อื่นประโยชน์ตนก็คือเล็มหญ้าประโยชน์ท่านก็คือเลี้ยงลูกไปได้วยกันมีประโยชน์คุณค่าทั้งสองงานงานไม่ใช่งานเดียวเพราะท่าบอกเอาแต่ประโยชน์ตนเอาแต่ประโยชน์ตนเหมือนกระรือสีประโยชน์ตนคืออะไรเอาแต่อยู่ในรูมันไม่ใช่ประโยชน์ตนนะเอาแต่อยู่ในรูน่ะคือกระือสีไปยิ่งขึ้นยิ่งหลงผิด เพราะศาสนาถึงตรงไปในทางฤาษีเทรวาดตรงไปทางฤาษีมหายานตรงไปในทางคฤรุหัตตรงไปในทางชาวบ้านนักเข้าก็มีผัวมีเมียตรงนัําเป็นพระก็ยังมีเมียได้มีทรัพย์สริงคารอย่างที่ญี่ปุ่นเขาเป็นเลอะเทอะไปหมดเลยหรือไปอีกทางนึงก็ไปทางตรันตริยานไปในเหมือนกับทิเบตไม่มีผัไวไม่มีเมียหรอกแต่เป็นพระเจ้าแผ่นดินนะ ที่เบียดนี่เป็นลามะดาไลาลามะก็เป็นพระเจ้าแผ่นดินครองบ้านครองเมืองเป็นสัพสริงคันนั่งบัลลังก์ใหญ่เลยนะเอาเด่นตัวเดียวคือไม่มีเมียแต่เป็นตันตระยานไสยศาสตร์มีโอสืบทอดมีตัวตนมีอัตตามีจิตวิญญาณประมาตามันนี่เกิดแล้วจะต่อทอดนี่ลูกชันไม่มีลูกทั้งทางแต่ลูกก็คือไปเกิดอีกทีหนึงก็ไปฝากวิญญาณเกิดนั่นนะพอ พ, อพอระดาไล้วมะตายก็ต้องอหมดแลไปอย่างลงที่ คนไหนเราเด็กคนไหนเราไปยัางเกินนี่คนไหนตามไปเอาเด็กคนนั้นมาเป็นดาราลามะต่อเราจะไปกันใหญ่เลยไม่มีในพระสูตรสักศูนนะมันก็ไสยศาสตร์ไปอีกทางหนึ่งนอมหายานแบบนึงก็ไปอีกแบบหนึง่งนะซึ่งเราเข้าใจแล้วเราก็เอาละก็ไม่ดูถูดูดูแทนเขาคุณงามความดีในทางหนึ่งเขาก็มีมหายานเ า, ก, า, าก็มีอย่างดาราลามก็มีอย่าง ญี่ปุ่นเขาก็มีอะไรคุณงามความดีส่วนดีอะไรที่มันสอดคล้องมันดีก็เอาว่ากันไปทางเถรวาตก็มีส่วนดีเป็นฤาษีก็มีส่วนดีอันนึ่งอะไรที่เพราะงั้นเราเอาดีนั้นมาแล้วรวมแล้วลงของพระพุทธเจ้านี่อยู่เหนือโลกไม่ได้หนีไปไหนหรอกจะไปพักไปเดี่ยวไปพิสูจน์ว่าอยู่เดี่ยวบ้างก็พิสูจน์ไม่ว่าอะไรทํางานนี่แหละสุดท้ายก็อยู่เหนือโลกมีจิตอุเบกขาที่อยู่กับงานกับการอยู่กับกรรมัญญะกรรมัญยารือกรรมนิยะมีฌานกับกรรมนิยะมี สำเร็จลงไปกรรมมัญญาก็สละสลวยสําเร็จเรียบร้อยมุทุภูตัธาตุแข็งแรงรู้แวววไยมีญาณปัญญาปฏิพานดีและก็มีแรงที่ตัดกิเลสจิตก็เป็นอัปปนาพยปนนาเจตโซอภินิโรปนาจิตยิ่งแนบแน่นแน่วแน่ปักมันแข็งแรงไม่ต้องไปแข็งมันก็แข็งของมันจริงเลยนะมันแรงของมันเองมันอยู่ยังไม่หวั่นไหวย่างอะไรอะไรก็มีโลกก็เป็นเช่นนั้นแหะมันก็ของมัน มันจะมาอะไรแล้วก็ประมาณระวังอย่าไปหาศัตรูมาใส่ตัวหาศัตรูมาใส่ตัวจนกระทั่งตัวเองพ่ายแพ้ตายนะถ้าตัวเองชนะอยู่ก็ใช้ได้ประมาณได้อย่างที่เราเป็นอยู่เนี่ยมันกำลังเกิดเกิดกลุ่มเกิดมูอัตมาเองอัตมาตายตอนนี้ไม่มีปัญหานะเกิดแล้วพอได้ยกตัวอย่างของทางด้านศาสนาคริสต์นี่นะพระเยซูเนี่ยประมาณไม่เก่งห้าม ห, ห้ า, หาวหันก็ไปเทเดียร์ละลานสู้เขาได้แล้วเขายิ่งสมบูรณาญาสิทธิราชไปกวนเขาแล้วลูกศิษย์ลูกหาก็ทเดียร์ไปละลานเขาแหวจะต้องเอาอย่างศาสนาตัวเป็นอะไรอะไไปเสร็จแล้วสุดท้ายเขาก็ทนไม่ได้เขาก็ปราบเพราะฉะนั้นไม่ฟังเสียงไม่ฟ้องศาลอย่างอาตมานะจับไปตรึงกลางเขนตายเลยเสร็จแล้วพระเยซูไม่รู้เรื่องหอกสุดท้ายเป่งครั้งสุดท้ายเนี่ยพระเยซูว่าโอ้พระ พระบิดาทําไมปล่อยให้ลูกต้องเป็นเช่นนี้พระเยซูต้องรับพึงก่อนตายนะพระบิดาทําไมปล่อยไปเช่นนี้ก็ตัวเองอะทำมากไปแรงไปประมาณไม่ดีก็ถูกตรึงกลางเขนตายแต่ก็มีเชื้อมีส่วนดีที่เหลือมีอะไรอัตมาอธิบายอจินไตนี่ไม่ไหวนะอจินไตพวกนี้มันละเอียดแต่นี้ยกตัวอย่างบางมุมไม่ฟังเท่านั้นเพราะว่าเราประมาณไม่ดีระวังถูกตรึงกลางเขนอย่างพระเยซู อย่าไปหาศัตรูมามากเราต้องรู้อํานาจในสังคมนี้มีโลกาทิปไต่อานาจโลกอํานาจของโลกเขามีจริงต้องประมาณให้พอดีว่เราสู้ก็สู้ในขนาดพอดีสร้างความอดทนอาตมานี่นะทำขนาดนี้อาตมาว่าอาตมาทําดีแล้วนะให้ได้ขึ้นศาลขึ้นเสรนี่โอ้โหอินทร์ศรีพระความอดทนพิสูจน์หลายคนไม่ไปศาลจนกระทั่งเบือ่อทนไม่ได้นะจนกระทั่งเบือ่อ อาจจะมีนะนี่อาตมาเดานะอาจจะมีบางคนว่าไม่ใช่เบื่อหรอกอย่างนี้มันไม่ถูกต้องหรอกแบบนี้เราเพราะไปสารนี่แหละเป็นข้อผูกมัดเออแบบนี้ไม่ถูกหรอกไปเลยเนี่ยเอาละก็ได้นี่ยปีที่เจ็ดเข้ามาแล้วก็เลยเห็นเลขเจ็เนี่ยจะรู้ละรู้เกิดรู้ตายกันละอ่าเลขเจ็นี่รู้เกิดรู้ตายกันดีนะมันก็ค่อยเป็นของมันนะ เพราะฉะนั้ขนาดนี้จะเป็นยังไงจะออกผลไหมอาตมาบอกว่ า, วามันไม่ผลนดีที่จริงมันพ้ดีเป็นการพิสูจน์ด้วยเป็นการคัดเลือกในตัวด้วยทุกอย่างก็จะต้องมีเหตุการณ์ทุกอย่างไปทําเองได้ที่ไหนเล่ามันก็ต้องร่วมมืออ่านี่ดูที่เนี่ยประชาชนคนไทยรัฐบาลไทยศาลไทยอะไรไทยช่วยหมดช่วยให้เราได้พิสูจน์ความจริงทั้งนั้นมันไม่ใช่งานเล็กๆ อยู่ในหมู่บ้านอยู่ในชุมชนอยู่ในหมู่อยู่ในรูของเราเองเงียบไม่มีอะไรไม่ต้องเกี่ยวข้องกับใครมีวัดของฉันวัดหนึ่งแล้ฉันก็อยู่แค่นี้คุณจะมาก่อมาคุณไม่มาก่แล้วไปลือลั่นดังไปอะไรก็ไปอย่างงั้นแหละนะคนก็ไม่ค่อยไปเราก็ลือลนนั่นนัก็ยกย่องนะแต่ว่าจริงๆเขาก็ไม่เอาแล้วก็ไม่เกิดผลที่จะมีประโยชน์ต่อสังคมอะไรมากมายไม่เกิดพระผูชนะหิตายพระผูชนะสุขายะจริงจังเลย มันคุมเครือแต่มันก็สงบดีเรียบร้อยดีไม่อะไรดีแต่ของเราเนี่ยรู้สึกว่าจะมีมันเหมือนกับมีตัวเป็นตัว activist อยู่ในสังคมนะเป็นตัวปฏิกิริยาสังคมในว่ามันสงบไงฟันค่าอยู่เรื่อยว่าสงบแล้วยังไม่แหลมเอาค่าอีกแล้วแต่เขาก็ไม่กล้ามีสภาพปรับประวาระขมริปู อยู่ได้พอสมควรเขาก็ไม่กลา้าใจแหลมจะแรงเกินขนาดก็ไม่กลา้าเพราะฉะนั้นมันจะมีประมาณพวกนี้ซึ่งอาตมาอธิบายละเอียดไม่ไหวแต่ค่อยๆสกเกตไปดูไปคุณจะเข้าใจว่าพวกเราเนี่ยจริงๆแล้วในช่วงที่แม้ที่สุดเราถูกปรับดูที่เนี่ยมนุ่งห่มเป็นอะไรก็ไมล่ลูชี้ก็ไม่ใช่พระก็ไม่เชิมขราวาสก็ไม่ใช่จะว่าพระก็เอ๊ะทาไมใส่เสื้อดีไม่นุ่กงเกงเหมือนจีนะนะ จะว่าพระก็ทำไมใส่เสื้อจะว่าชีหรือก็ยังมีสีกลักคือมันก็อย่างนั้นน่ะแต่จะอะไรก็ตามนะเราเนี่ยเป็นพระหรือเป็นสมณะเป็นสงสาวกพระพุทธเจ้าที่ถูกคนผู้ลุกราน มาแย่งชิงเอาผ้าไตรจีวรไปโดยความจำนวนเหมือนก็ถูกบังคับบีบคั้นเอาไปก็เอ้าเราก็ยอมเขาก็ได้เพราะว่ามันต่อรองกันถึงขีดนั้นแล้วทำไมงั้นมันก็ไม่เกิดความสงบแล้วยังไม่รู้ว่าจะร้ายถ้าก็เกิดโมโหว่าเราไม่ยอมเขาจะทําแรงอะไรกว่านี้นะเพราะฉะนั้นน้ําหนักของความอ า, าฆาตโกรธเคืองนี่เขาแกล้งได้มากกว่านี้เรายอมขนาดนี้เขาถึงรู้สึกว่า เออขนาดนี้เขาก็จะรู้ความดื้อด้านของเราว่ามากไหมถ้าความดื้อด้านมากกว่านี้เขาก็จะต้องใช้อํานาจบาดใหญ่ของโลกาที่ปไตยมากกว่านี้เขามีนะอํานาจบาดใหญ่ของเขามจริงๆโลกาที่ปไตยน่อานาจโลกเราต้องรู้เขาเอามาแรงกว่านี้เราก็จะแ yeah ย่ยิ่งกว่านี้ดีไม่ดีตายไป่ผลไม่เกิดเลยเราไม่ต้องทําอะไรพอดีลงใต้ดินไปเลยก็ยิ่งยากใหญ่เพราะฉะนั้นอาตมาถึงบอกพวกคุณว่าอาตมาไม่ได้ลงพาลงใต้ดินนะเราทำอย่างเปิดเผยอยู่อย่างนี้แหละแม่ จะมาอย่างนี้เราก็ได้พิสูจน์ความจริงว่าเออขนาดไม่ต้องห่มผ้าไตรจีวรนนี่ห่มผ้าโจระไม่ใช่โจระรอเรือนนะไม่ใช่โจนะโจระนี่นแปลว่าผ้าผ้าที่เป็นผ้าอื่นที่ไม่ใช่ผ้าไตรจีวอนที่พระเจ้าท่านต้องกหนดแล้วเนี่ยมันไม่ใช่ีต้องห่มผ้าอื่นมีจีวอรอันโจรลักไปแต่อย่าไปพูดทนะข้างนอกพูดเดี๋ยวเขาเอาตายจวโกรธเดีเ๋ยวคนโน้นก็เคืองเพราะมันแรงเลยพูดว่าโอ้นี่เราเหมือนกับถูกโจรปนพรางไปะ อ่ามันไม่ดีเขาไม่ใช่โจนหรอกแต่เราต้องยอมลราหลอนุ่งผ้าโจละคือผ้าที่เป็นผ้าอื่นที่ไม่ใช่ไตรจีวอเรียกว่าต้องนุ่งห่มผ้าโจละนะเพราะฉะนั้นอันนี้เราไม่ได้ผิดนะจำเป็นอ่าเมื่อกับผ้าที่สูญหาจะนุ่งห่มผ้าอะไรก็ได้ก่อนแม้ที่จริงผ้าอังสานี่เขาก็ถือผ้าโจละนะผ้าที่ใช้ที่ไม่ใช่ไตรจีวรคือผ้าโจละทั้งนั้นน่ะเป็นผ้าอื่นที่ต่างจากผ้าไตรจีวรนสมผืนไตรก็คือสาม สมผืนนะ่ะสบงสังขติกผ็ผ้าห้องคลุมผ้าหกจีวรคลุมสามผืนเท่านั้นนะ่ยผ้าแท้นอกกว่านั้นแล้วผ้าโจละทั้งนั้นและยิงย่งยิ่งไม่มีเลยเนี่เราจําเป็นเขาไม่ให้หนุ่งหม่มอ่ะอย่างนั้นนะเขาไม่ให้หนุ่งหม่ม เ, เราก็ต้องหาผ้ามาห่มจะเปลือยกายอยู่ยังไงกันละ่ะไม่ใช่พวกละทิคคำพร น, นีน่เราก็ต้องหนุห่งห่มแล้วก็ต้องห่หมด้วยผ้าโจละ ถึงแม้ว่าเราห่มผ้าโจล่านี่แหละเราก็ยืนยันปฏิบัติประพฤติคุณธรรมเดิมอยู่ในความเป็นสงฆ์พระเจ้าอยู่อย่างเดิมไม่ได้บกพร่องพวกเราเข้าใจก็ไม่มีปัญหาอะไรคนอื่นข้างนอกจะเข้าใจหรือไม่เข้าใจค่อยเข้าใจไปเรื่อยๆชนเดียวนี้มีคนเข้าใจว่าโอ้อย่างนี้พระมันจะมีแนวโน้มเอียแว่าอยิ่งเหตุการณ์เกิดเนี่ยนุ่งห่มอย่างงนี้ยิ่งปฏิบัติไม่ดีนะนุ่งห่มอย่างนี้ดีกว่านะไม่แน่นะไม่แน่นะมันจะเปลี่ยนมาแบบ ต้องเอาพระนุ่งผอมแบบนี้อีกหน่อยต่อไปว่าอายังโนยังไม่ใช่พระอายังงี้เปลงพระกว่าอะไรกันแล้วแต่มันเป็นได้แต่เหมื่อนนั้นคงแหม่มันนานลดยเกินคงไม่ไหวหรอกถ้าเราจะเป็นจะต้องใช้ผ้าชุดนี้ไปตลอดก็เราก็ต้องสร้างสัจจะสารสัจจะอันเป็นคุณธรรมของพระเจ้าลงไปสุดท้ายมันต้องเปลี่ยนมาเลยโดยจํานวนนีมน้มันเที่ยงแทนแล้วอันนี้จังจริงๆแม้แต่ผ้านุ่งผ้าห่มเปลี่ยนไปเมือนกับมหายางเขเปลี่ยนเปรู้กีอย่าง ลานิกายมหายานนุ่งหม่มก็ไม่เหมือนกันเลยไปนั่นคือเขาไม่ยึดไม่ถือแต่ส่วนเทราวาเนี่ยยึดถือนะต้องกาะกลุมเอาของเกา่าของเดิมไปถึงจะของเดิมมันก็ไม่เดิมจริงเท่าไหร่หรอกแต่มันตามไปหาเจวแล้วจริงๆพระนุ่งพระห่มพระพุทธเจ้าหุงห่มยังไงจริงๆอะไม่มีใครรู้หรอกตอนเนี้แต่ก็ถือว่าเขาเทราวานเนี่แน่ที่สุดเขามหายานก็แตกต่างกันไปขนาดนิกายตคล้ายกันก็ยังโอโหนุ่งห่มสีเทามั่งแดงมั่งเหลืองมั่งอะไรมั่งต่างๆนานาสารพัด นในญี่ปุ่นเยอะหรือจีนเยอะมากมายก็เอานัาา่นก็แล้วไปนะเพราะงั้นพวกเราเองเมื่อมารวมมาเป็นแล้วมามีอะไรกันแล้วจริงๆเนี่ยมันถึงจะเห็นว่าความพ้นทุกข์หรือความเป็นอยู่สุขหรือความเจริญของมนุษย์อาริยะนี่คือความเจริญหรือใช้ภาษาโลกที่เขาเรียกว่าอาระยะชน อารยะชนเป็นพวกอาริยกะไม่จะเป็นพวกมิลกะนะไม่ใช่พวกมิลกกะเป็นพวกอาริารยะกะเป็นพวกชนเจริญชนเจริญจะเป็นคนชุมูม่ชนคนแบบไหนที่มีวัฒนธรรมแบบไหนมีพฤติกรรมมีกิจกรรมคนขาดกิจกรรมหรือการงานไม่ได้ กิจกรรมนี่แปลว่าการงานทั้งหมดกรรมที่เป็นกิจที่ต้องทำนะกิจกรรมที่เลี้ยงตัวกิจกรรมที่กลายเป็นเศรษฐศาสตร์ที่จเจริญอย่างเรานี่แหละเศรษฐศาสตร์เจริญเขาต้องการการรวมการกระจายรายได้การเผื่อแผ่การเกื้อกูลการไม่เอาเปรียบกันในพวกเรานี่กำลังกระทำ เขาต้องการการรวมกันมารวมกันต่างคนต่างเซสลาไม่เอาไปของตัวของตนอาตมาทำแต่ยอดมาหาล่างอะ่ะแล้วก็าทำได้คอมมินิสต์เขาว่าเนี่ยเอามารวมกันแล้วก็มีคนมาไม่จะมีคนเราก็แบ่งแจกกันไปสินี่คนไหนมีมากก็แบ่งแจกให้คนน้อยคนไหนมีน้อยก็พยายามขยันมันเพียนเพิ่มขึ้นให้มันพอกินตัวเหลือบ้างก็แบ่งคนอื่นต่อโดวยวิธีการของสังคมอ่ะเาก็ทา เป็นสังคมนิยมสังคมนิยมก็มีคนมาจัดแจงไอ้คน น, ide, ไ olha, คนนี้มันตกงานไอ้คนนี้มันเด็กๆมันยังทำอะไรไม่ได้ก็ต้องให้มันหน่อยเพราะฉะนั้นสังคมนิยมเขาเนี่ยเด็กเกิดมาอุแหวนีมีเงินเดือนหมดคนตกงานคนพิการคนอะไรก็มีเงินรายได้ทั้งนั้นเนี่คนตกงานก็ยังมีรายได้เลยแต่หนักเข้ามันก็กิเลสแต่มันไม่ได้ดับกิเลสมันก็หาช่องทางเอาเปรียบเพราะฉะนั้นคนตกงานเยอะขึ้นเยอะขึ้นเยอะขึ้นในสแกนดิเนเวียเนี่ยสังคมนิยมคนตกงานเยอะขึ้นเยอะขึ้นเยอะขึ้นเยอะขึ้น ไม่ทํางานแต่มันได้มีเงินเลี้ยงตัวมันอยู่ในสังคมนั้นเขาวัฒนธรรมหรือว่ากฎหมายเขารัฐธรรมนูญก็เป็นอย่างนั้นเขาปกครองกันอย่างนั้นนานเขา้าคนตีกินแอบแฝงมันมากขึ้นก็ไม่พอกินพอชายขาดแคลนท่วงกันเพราะมันไม่ได้ลดกิเลสความเห็นแก่ตัวไม่ได้เสียสละจริงมันก็ฉลาดนี่คนฉลาดเอาเปรียบเชยโกนมันเยอะไปพอนานเข้านานเข้ า, น า, นขาไปไม่รอดเราไ ม, ม่กี่ปีเพราะงั้น แม้แต่ที่สุดคอมมิวนิสต์นี่ใช้กฎหมายบังคับกันเลยเนี่ยแบ่งแจกอยู่สุดท้ายคนมันก็จิตใจมันไม่มีปัญญาอย่างพวกเราเนี่เราพอเราสัโดดจริงไหมกินน้อยใช้น้อยเสียสละเราเป็นคุณค่าประโยชน์จริงไหมทฤษฎีกำไรขาดทุนของอาริยะชนธรรมาพูดซ้าพูดซากแล้วก็ใจจริงเออก็เราก็สร้างไปสิแล้วก็เป็นกรรมเป็นแบาบปถ้าคุณเชื่อกรำเชื่อวิบากไม่กรรมไม่วิบากเดี๋ยวนี้คุณก็รู้ว่าคุณมีประโยชน์ต่อเพื่อนฝูงต่อมนุษย์อื่น คุณเองคุณก็กินแค่นี้ใช้แค่นี้แต่คุณก็สร้างสรรค์ามากๆคนอื่นก็ได้เกือ้อกูลเขาคุณไม่เอาแลกเปลี่ยนมาแม้แต่อัตราการแลกเปลี่ยนกับคืนมามันหมดบุญหมดประโยชน์คุณข้าอัตมาก็อธิบายอธิบายใครไม่เข้าใจก็เอาไปไปไปไ ป, ไปทความเข้าใจกับใครใครจะล้างสมองได้ก็เชิญทาอัตมากับวัตมาพูดเมื่อยแล้วใครเห็นชัดชัดอยู่ก็ยินดีทําด้วยความเต็มใจเพราะฉะนั้นของเราจะอยู่ได้เพราะความเข้าใจเต็มใจแต่เราจะเห็น เรื่องของความเห็นแก่ตัวขี้เกียจมันมากจริงๆเห็นไหมมันโอ้โหเรารู้แล้วลาว่ามันดีแต่มันยังอยากจะทำลราเนี่ยมันข้าวมีกินดินมีเดิ น, ดนตะวันมีสองพี่น้องมีเศษไปกระหมยังไงก็ยังไม่ขาดแคลนอยพอกินไอ้ตัวนี้แหละมันไม่เจริญแร้วอีกตัวนก็มานะอวดดีกันประชดประชันกันแข่งขันกัน ทำงานแขนงเดียวกันก็ตามหลายแขนงก็ตามถ้าแข่งทำดีขึ้นไปแล้วก็ไม่มีใจที่จะไปลบหลู่กัน อนุโมทนากันเออคนนี้จเจริญนะหน้าอนุโมทนาเอาอย่างกันไปยังดีๆนะคนนี้เขยันมันเพียรนะคนนี้ไม่ทะเลาะวิวากกับใครใครว่ายังไงก็วางได้เข้าใจ อ, อ, อะไรอธิบายได้อธิบายมีลีลาดีนะมีเชิงมีศิลปะในการที่จะพูดจาะสมประสานสมานกันดีหรืออะไรดีหรือขัดเกลาเข้าได้ก็เขาก็ยอมให้ขัดเกลาบางทีพูดรแรงๆด้วยยังอาจะมาพูดรแรงๆเลยเขาก็ยอมไปเออทำยังไงนะมันต้องมีบา ร, รมีใช่ไหม น้าต้องมีอัตตานุตาต้องดูตนว่าตนจะขัดเกลาร์เาได้ไหมขนาดนี้ขัดเกลาเข้าไปเขาก็ซัดเรามาตูมตายเลยงนี้เราก็สู้ไม่ได้ละแต่ถ้าขัดเกลาร์เาเขาก็ยอมอันนี้ได้ประโยชน์อะไรเงี้ยมันก็จะค่อยๆเรียนรู้ความจริงแล้วจะเป็นจริงด้วยเราก็จะมีผู้ที่ยอมรับเพราะเราเองมีคุณค่าจนเขายอมรับจริงๆนะฉลาดสร้างสรรค์ประโยชน์ช่วยคนก็ได้สร้างสรรค์งานการก็ได้มีฟรีมอรือลายมือมีความสามารถในการทํางานด้านๆนั้นด่านา น, า น, า น, นี้อะไรเก่งด้วย นี่คุณค่าประโยชน์จริงมีแก่นสารสาระจริงคนก็พัฒนาขึ้นอย่างนี้แหละเพราะฉะนั้นในลักษณะเด่นลักษณะดีของสังคมนี่ว้ยสังคมนิยมคอมมิวนิสต์เผด็จการก็ตามในระดับเผด็จการเนี่ยเหมือนอย่างอาตมาเนี่ยอาตมาสั่งงี้เหมือนเผด็จการแต่พวกเราก็ไม่ต้านอะไรมากเข้าใจยอมบางทีบอกแรงๆก็มาบอกเอ้เนี่มันพูดยาก่ลยซัดตูมพคุณหงอแล้วเอาหยุด เ, เดี๋ยวเยวคิดละไม่เอาละต้องทํา เพราะยอมนี่เหมือนลักษณ ะ, ะเผด็จการเหมือนอานาพระพุทธเจ้าก็เหมือนกันอ้นี่ไม่ต้องมาพูดพระพุทธเจา้าจะออกกฎหมายไม่ต้องใช้สภาสั่งตุม้มนี่คือวินยัยจงทําตามนี้เพรา ะ, ะนั้นวินัยพระพระเจา้าไม่เคยเข้าสภาเลยเผด็จการแน่นอนแต่เผด็จการโดยยานปัญญาที่ไม่มีความลำเอียงอันนี้จะเป็นประโยชน์แก่คนนะท่านก็ออกกฎระเบียบอันนั้นมาเหมือนกฎหมายนีย่แหละอ่านอย่างนี้เป็นต้น มันมีในตัวของมันเองแล้วเรายินดีจะยอมยกให้ท่านผดดเด็จการเพราะมีหมดผดดเด็จการก็ออกมีสังคมนิยมคอมมิวนิสต์อะไรก็ออกมีประชาธิปไตยแน่นอนเลยประชาธิปไตยแน่นอนเพราะทุกคนก็ใช้ยานปัญญาเต็มใจไม่เต็มใจก็ไปได้มีประเทศที่จะไปเยอะแยะไปไม่ออกจากที่นี่มาอยู่ประเทศไทยก็ไปอยู่ประเทศลาวก็ได้นี่ ไม่ออกจากประเทศลาวจะไปประเทศเขมรก็ได้ขเขมรเขาว่าแย่กว่าลาวนะจะไม่อยู่เขมรจะไปไหนก็ไปซี่จะไปยุโรปจะไปอเมริกาจะไปญี่ปุ่นไปไหนก็เชิญทีไปได้น่ไม่มีตังก็เดินไปไกลหน่อยอถ้าไปญี่ปุ่นก็ต้องข้ามทะเลเดินบนน้ำอาจะไปไหนก็ไปได้แม้แต่จะไปเป็นชาติอื่นก็เป็นได้ เหมือนก็มาอ้างพวกเราบอกเหมือนกับพวกชาติไทยแล้วอยากบอกว่าเราเกิดมาเป็นชาติไทยเราจะต้องลาออกจากชาติไทยไม่ได้ทําไมลาไม่ได้ก็คนลาออกเป็นชาติอื่นก็ได้สัญชาติอื่นตั้งเยอะตั้งแยะไม่เห็นจะต้องมาเกี่ยวของคนไทยเมืองไทยประเทศไทยเลยก็เป็นคนชาติอื่นก็ได้ห้ามได้ที่ไหนจะบังคับเขาให้เข้าไปเป็นชาติอื่นก็ไม่ได้ถ้าเขาไม่มีความผิดในรัฐธรรมนูญเขาจะออกจากประเทศนี้ไปลาออกจากประเทศนี้ไปอยู่ประเทศอื่นถ้าเขาไปทําความดีกับประเทศอื่นจนประเทศอื่นยอมรับเขาเป็น คนชาตินั้นสัญชาติของประเทศนั้นเขาก็เป็นได้กฎหมายของประเทศของโลกก็ไม่ได้ขัดแย้งอะไรกันเป็นไดน้แต่เราไม่ไปเราก็อยู่แต่อยู่ก็ต้องอยู่อย่างเขาอยู่ก็อย่างที่มีกฎระเบียบวินัยจารีประเพณีอะไรของเขายิ่งคนเขี่ยวเขามามาอยู่ในอโศกก็ยังมีกฎวินัยระเบียบแบบแผนเป็นอย่างนี้อโศกทําไม่เอาอย่างอโศกเหรอไปนะไปเองนะไม่ได้ไรนะ แต่ถ้าไม่ดีได้คุณภาพของอโศกตามกฎ ร, ระเบียบของอโศกนี่แไม่ได้ไม่ได้ไล่คุณจริงๆด้วยถ้าคุณมาหยาบคายเกินเขตอยู่ในนี่ไล่ออกไล่ออกไปเลยแต่คุณไม่ต้องถูให้ไล่ออกเสียหน้าฉันไปเอ ง, องไปสิไม่มีปัญหาอะไรอิสระเสรีภาพประชาธิปไตย และพวกเราก็มีอะไรก็มาบอกกันความเห็นของพวกเราส่วนรวมขนาดนั้นประมาณนั้นประมาณนี้นะอันนี้ดีก็ตกลงกันเพระาะฉะนั้นมติหมูน่นี่ให้ยืนยันเมื่อตกลงกันมีอะไรสงสัยเรื่องราวอะไรมันไม่เข้าหมู่แล้วก็พยายามวิจัยอภิปรายกันให้ดีเสร็จแล้วก็ตัดสินเอาให้ได้ว่าเออเราเอาอย่างนี้นะตกลงเอาอย่างนี้เมื่อตกลงอย่างนี้แล้วจงทําตามมติอย่าไปรอๆแหล่ะไม่งั้นชา้าอยู่นั่นละ่ะไม่จริงไม่จัง อตาตมาเคยพูดว่าแม้ว่าพวกเราจะตัดสินมตินี้แล้วว่ามันเกิดผิดพลาดก็จะได้รีบผิดจะได้รีบรู้ตัวว่ามันไม่ไม่ดีแล้วจะได้แก้ไขไปหักล้ากลับใหม่แต่ส่วนมากพวกเราฉลาดมันไม่ค่อยจะตัดสินไม่ค่อจะผิดหลอกนะพาะเราทุกคนไม่ได้มาปรารถนาร้ายอะไรนีทุกคนก็จริงใจใช่ไหมเพราะฉะนั้นก็ใช้ความฉลาดเท่าที่เราโง่นี่แหละมาตัดสินมาวิเคราะห์วิจัยให้จริงมันจะได้ของถูกต้องออกมาทุกทีไปละ หรือจะไม่ทุกทีก็โอ้เปอร์เซ็นต์ผิดพลาดน้อยมากงั้นเราก็ทําตามนั้นก็นแล้วกันสังคมมันก็จ ะ, จะเจริญก้าวหน้าไปได้ด้วยอย่างนี้ข้อสําคัญนี้อัตมากำชับกมชา ก, ก็อยู่เสมอเนี่ยทาไมเนะี่ยไม่รู้จักทําตามมติพอมติเสร็จแล้วก็ไอ้อัตมานะออกมาข่าไม่รวมมือบ้างนอกจากไม่รวมมือหาเรื่องรวนมันซะเลยโอ้อย่างนี้ก็พังสิไปไม่ได้ ท, ทั้งที่มติออกมาแล้วดีไม่ดีบางทีมติออกมาเหลือ ก, กูคนเดียวที่ไม่เหมือนเขา กูก็แย้งอยู่งั้นแอ้าวมันก็ไม่สาเร็จที่แม้จะมากคนชนะกันคะแนนเดียวก็ตาม้ามาตีชนะแล้วหยุดไอ้ฝ่ายนึงนี่หยุดจะมีเกือบครึ่งต่อครึ่งก็าตามหยุดทำอย่างนี้เลยช่วยกันเลยเต็มใจมันหัดปล่อยวางด้วยหัดตัดขาดด้วยมันได้หัดจิต ด, ด้วยให้รู้จักสิว่าอะไรเป็นอะไรถ้าอะไรเป็นเอกแล้วมันจะเด่นอะไรเป็นเอกแล้วมันก็จะไปเร็วไปจบ สเสียก็ให้นมนรู้เสียตายให้มรู้ตายเน่ามารู้เน่าไปเลยดีมันจะได้รู้ดีไปเลยพวกนี้แหละสายศรัทธาสายศรัทธานี่ใช้วิธีนี้นะสายศรัทธาเพราะว่าเอานะอ่ะมันวางเลยไอนันี้ไม่เอาไม่เอาไม่เอาใช่ไมมีสายศรัทธานี่จะไม่ค่อยสายปัญญาหรือว่าสายฉลาดนี่มันจะลองแรงลงแรงอยู่บ้างเพราะงั้นสายปัญญาจึงชา ก, กว่าสายศรัทธาสายศรัทธาเนี่ยเดียวเดียวมากพุ่ง เ อ, เอาเอาเอาทิ้งเลยอันนี้ทิ้งไปนี่เลยเพราะรู้เลยดีไม่ดีแดำไม่ดำแดงไม่แ ด, ง, ดงรู้เลยเสร็จก่อนเมืออ่ออาตมาเคยยกตัวอย่างว่าโลกเนี่ยเราจะวิ่งรอบโลกนี่นะ <S <S สายปัญญาก็จะตรวจสอบเลยนะเนี่ยเราจะไปประเทศนี้จะไปด้านไหนดีจะมีอุปสรรคอะไรบ้างโอ้มานี่ถ้าเราไปทางนี้อุ่นยาวนานเนาะเอาไปทางนี้อุปสรรคอะไรหาวิธีแก้ไปก็ถึงเร็วปัญญานีส่วนสายศรัทธานี้ ไม่รู้ฮะจะไปทางนี้ใกล้กว่าก็ไม่รู้จะมีอะไรจะแก้ไขไงก็ไม่รู้สุดท้ายตัดสินสมมุติว่ามันเดาถูกปุ๊บไม่ได้ใกล้เหมือนกันตัดสินว่าเออไปทางนี้ละเอาอย่างงี้ถึงใกลแต่สมมุติว่ามันไม่ใช่อย่า ง, งานั้นมันมีปัญญามันไม่ตาบอดขี่ถือปองขนาดนั้นหรอกมันไม่ใจโชคดีถึงขนาดนั้นนะ น, นะตัดสินว่าไปไม่มีกลัปละเดินดิวเลยไปหนึ่งหรือแม้จะไกลนี่นะถึงแล้วเร็วกว่าเร็วกว่าสายปัญญาที่ เอ้เอาบัางไม่เอาหรอแลเอ้มันถูกเปล่าวะ ม, มันมันลองคิดนะนะมันหลายเรื่องกลายเป็นวิตกะทอนนี้ไอ้ปัญญาแบบนี้ไม่ใช่ปัญญาแท้เป็นวิตกะเอ้มันจะดีหรือจะเอ้มีอะไรบ้างกลับไปกลับไากลับไปกลับมาไปแล้วเอะถอยหลังใหม่ออยู่อย่างงั้นน่ะพวกไม่รู้จักเสร็จพวกไม่รู้ตัตดสินวิตกะพวกนี้ช้า ก, กว่าเพื่อนอ่า เพราะการตัดสินเนี่ยแล้วเราก็อยู่กับคนหมู่ปัญญาและมีการตัดสินก็คือเรามีปัญญาพร้อมกับมีเจโตเพราะก็มีศรัทธาช่วยเราแล้วเพราะเอาลักษณะเด่นของปัญญาหรือเอารักษณะเด่นของศรัทธาหรือเจโตเนี่ยพอมีมติ ม, มตีขนาดที่ทำมตินี่คือปัญญาเมื่อได้มติเป็นศรัทธาเมื่อมีมติแล้วเป็นเจโตดิวเลยจบเร็วพลัง พลังแรงด้วยพวกเราช้าอยู่ก็คือขี้เกียจถามหน่อยเถอว่าพวกเราเนี่ขยันเต็มที่แล้วเหรอทุกคนใครตอบได้บ้างว่าขยันได้ทุกคนมาถามทางนี้ดีกว่าไม่ต้องถามคารว่าถามพระเลยละ่ะนะพระนี่แหละตัวเก่งอ่ะมีทางเลี่ยงอ่ะเขายกไว้อ่ะนี่แหละจะได้ยิ่งกลายเป็นช้าพระนี้ยิ่งกลายเป็นช้า เพราะมันก็มันมีโอกาสเยอะกว่าน่ไปตู่แต่คารวาเองที่เมาไปข่าวเป็นพระแล้วะ่ะระวังเถอะเป็นพระเนี่ยยิ่งยากเพราะฉะนั้นค่าบาปข่าบุญนี่มันสูงกักนจริงตามสัจจะพวกนี้เราได้รับการเคารพนับถือกราบไหว้เราได้กินของที่เขาให้ด้วยศรัทธาแล้วนะยังมีนำมันหน้ามา เลี่ยงเยงอยู่อะไรก็หมายรู้ละไปอ่านดีๆจุลศีลมชิมศีลมาหาศีลสารพัดจุลศีลตั้ง26ข้อนั่ก็โอ้โหเคร่งคัดอยู่หรือเปล่าแค่จุลศีลนั่นนะไม่ต้องไปพูดแล้วเพราะนั่นก็เอาละเพราะหมูไม่พาทำเนี่ยไอเดราชานวิชาอะไรแต่หมูไม่พาทำต้องเยอะต้องแย่อยู่แล้วก็แล้วไปก็ได้ฟรีแต่จุลศีลล่ะเราได้เคร่งคัดดีอยู่หรือทั้งจุลศีลอะไรงนี้เป็นตน้นนั่นก็พยายามนะ เอาละอาตมาเทศไปเทศมาวันนี้ก็คิดว่าเราจะได้เข้าใจได้บอกปรมัทิตย์แล้วก็ได้บอกส่วนรวมได้บอกจุดบกพร่องแม้แต่เกิดเหตุการณ์ที่มันมีอะไรต่ออะไรขึ้นมานี่มันมีของจริงมีภาวะจิตที่จริงมีสภาพที่จริงอาตมาไม่ได้พูดขึ้นมานี่รับรองท่านมนาปโปนะไม่ได้พูดขึ้นมาเพื่อรับรองท่านมนาปโปแต่ว่า คนที่มีอะไรอย่าเพิ่งไปเพ่งโทษกันในหมู่พวกเราเนี่ก็ยังไม่ยอมรับกันก็ยังเพ่งโทษกันในอาตมาว่าแลวคุณจะไปเชื่อใครกันได้ขนาดพวกเราก็ยังไม่เชื่อน้ำมนต์ไม่เชื่อน้ำมนต์ไม่เชื่อขีนหน้ากันคุณจะไปเชื่อหมาไหนต้องเอากันชัดๆอย่างเงี้ยขนาดพวกเราแล้วก็ยังไม่ยอมรับนับถือกันไม่เข้าใจกันไม่เห็นว่าสิ่งเหล่านี้มันพูดกันยากมันอธิบายยากมันบอกยาก อาหะเมตังนชานามิอะหเมตังนปัซามีติเราไม่รู้ไม่ได้เห็นด้วยกันได้ไง่ายๆของใครของมันเราไม่รู้ด้วยเธอเธอก็ของเธอเธอเห็นของเธอปัจจตังเวทิตโภวิญญูหิของแต่ละบุคคลส่วนตัวใครส่วนตัวมันแต่สภาพนี้เอามาจริงๆแล้วเมื่อไม่ภูมิถึงกันมาพูดกันพอเข้าใจกันได้ถ้าภูมิไม่ถึงกันเนี่ยอนุสัมบันญกับอุปสัมบันญัู้กันในเมา แต่พอมีภูมิอุปสมบัติด้วยกันพอภูมิถึงกันพอพูดกันได้เข้าใจกันได้เข้าใจกันได้จริงๆแม่เป็นนามธรรมาพูดนกพูดกาพูดหมาพูดหมูอะไรก็เข้าใจกันได้เสืออะไรแทนได้ทั้งนั้นเลยเพราะฉะนั้นจะแฝงอะไรก็แล้วแต่มันช่างแฝงนี่แหละเป็นตัวชา้าเป็นตัวเสื่อมเป็นตัวที่แฝงอยู่อย่างแฝงๆอยู่อย่างที่ไม่ซื่อสัตย์อยู่อย่างที่ไม่จริงใจ ต้องซื่อสัตว์จริงใจมุ่งให้ตรงนะเป็นสัญชาติในคนตรงจริ ง, รงๆดีๆแล้วแล้วก็ข้อสําคัญอย่าขี้เกียจเลยนะขยันเถ อ, อะสรุปแล้วก็พวกเราเนี่ยหนึ่งพยายามเถอะให้ชัดเจนนี่ไม่ได้มาบังคับนะให้ชัดเจนว่าเราจะเอาหรือไม่เอาถ้าเราเอาก็ภาคเพียรขึ้นขยันขึ้นอย่าขี้เกียจอย่ารอแหละอย่าเลี่ยงอย่าผัดวันประกันพรุ่ง อ, อย่าพยายาม เนื่นชาเน่นชาไม่แต่ธรรมะของพุธเจา้าเพราะฉะนั้นใครจะเนื่นชาปล่อยตัวเองไปก็ไม่ดีพอเราเรียนรู้ดีๆอัตมากม่รู้จะพูดยังไงขยายความพูดกุมกวางอย่างนี้พูดชัดๆไว้ก็ได้แค่นี้ก็ไปจัดการกันแล้วกันลดอัตตามาณน ะ, นะแล้วก็ขยันสองจุดใหญ่ๆน ะ, นะสรุปแล้วก็คือขี้เกียจกับรังเกียจรังเกียจนี่แหละอัตตามานะ ขี้เกียจนี่กับตัวเองก็มีสองอันใหญ่ๆเนี่ยสุดท้ายรอวังระที